ก็เป็นเรื่องที่คนไม่คาดกันไม่คิดกันแต่สำหรับเราเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติ <ไง S 1> มีเกิด ม, มีดับ ม, มีเหตุมีผล อ, อย่างอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ดันั้นเรากิจานามหมดแล้วในโลกนี้มไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน มีแน่นอนก็คือธรรมะธรรมะของพ ร, ระพุทธเจ้าอาการาที่โกกีพบกีชาติกีกีจับกีกันก็เหมือนเดิมธรรมะพ ร, ระพุทธเจ้าอริยสัจ ส, สี่นเหมือนเดิมทุกเกิดจากตัณหาความอยากรดับทุกข์ก็ดับด้วยการปฏิบัติสีนสมาธิปัญญามีทือทางดับทุกข์ ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยพระพุทธเจ้ากี่องค์มาตัดสลือก็ตัดสลือความจริงอันเดียวกันความจริงที่เป็นสากลไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปตัดสลูอบนดาวองคารหรือดาวพระรหัตาดาวเหล่านั้นเป็นที่อยู่ของมนุษย์ได้ก็จะตัดสลือเรื่องเดียวกันเรื่องอริยสัจสเรื่องใจรัก ทุกอย่างในเที่ยงทุกอย่างมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะทุกอย่างเราไปสั่งเขาไม่ได้เราไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้พอไม่ได้เป็นอย่างที่เราสั่งก็ไม่สบายใจทุกข์ใจ สั่งให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอมันไม่ยอมฟังคำสั่งมันขอเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็ไม่สบายใจขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยสั่งไม่ให้มันตายมันก็ถึงเวลามันจะตายขึ้นมาก็ไปไปสั่งมันไม่ได้ถ้าไม่สั่งก็ไม่ทุกข์แค่นั้นเอง เข้าใจไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆใจไปหลงคิดว่าตนเองเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นคือคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนู้นเป็นของตัวเองเป็นของตนตอนอะไรเป็นของตนก็อยากจะให้อยู่กับตนไปนานๆให้ความสุขกับตนไปนานๆพอเวลาสิ่งที่ให้ ค, คยให้ความสุขมันเปลี่ยนไปหรือมหมดไปดับไป เวลานั้นไม่มีอะไรให้ความสุขก็เกิดความทุกขขึ้นเพราะว่าอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขถ้าไม่อาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขก็ไม่เดือดร้อ น, นเวลาใส่น้นใส่นี้ดับไปเลือเปลี่ยนไป้าเหมือนเดิมการที่จะไม่อาศัยสิ่งต่างๆ ให้ความสุขอ ต, ตนได้ก็ต้องหาความสุขภายในตัวเองให้เจอเนี่ยในนี้เขาเขียนเขียนเขียนไว้ใต้ภาพของน้องตาว่าผู้หาความสุขเจอวันนี้พวกเรายังหาความสุขไม่เจอเจอความสุขปลอมเจอความสุขเดียวเดียวส่งแล้เดียวก็หายไปไปจินเลี้ยงก็มีความสุขกัน พอกินเสร็จก็หายไปไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาก็หายไปไปทําอะไรต่างๆที่ให้ความสุขพอไม่ได้ทําก็หายไปมีคือความสุขปรองชาความสุขจริงมันต้องอยู่กับเราไปตลอดความสุขจริงมีอยู่ยในตัวเรานี่เอง เส้นผมบางภูเขามองไม่เห็นภูเขาเบล่ัมเช่นเพราะเส้นผมเส้นนิดเดียวเส้นผมจนนี้ก็เคยความหลงหลงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับตนมองไม่เห็นความสุขที่มีในตัวเองอยู่ในใจของตัวเอง มันนึกริงนะครับความสุขที่ได้จิเกิดจากความไม่อยากแต่ความอยากมันสร้างความรู้สึกว่าต้องต้องได้สิ่งที่อยากถึงจะได้ความสุขถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากแล้วจะได้ความทุกข์มันมันทุกข์จริงอยู่เวลาที่ไม่ได้สิ่งที่อยากแต่ถ้าเราทนไปได้เดี๋ยว ความอยากมันก็หายไปก็เมื่อมันไม่ได้สิ่งที่อยากต่อไปมันก็ไม่อยากอีกมันอยากจะดื่มชูราทุกครั้งที่อยากจะดื่มชูรางก็อยากไปดื่มมันมันก็ทุกจางที่อยากไปดื่มแต่พอเราไม่ดื่มไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็ไม่รู้จะอยากไปทำไมอยากก็ไม่ได้ดื่มอยู่ดี พอไม่อยากแล้วก็สบายดูคนที่ไม่เดือดรุอาก็เดือดร้อนเวลาก็มีสุรามหรือไม่มีสุรามดื่มกไม่เดือดร้อนก็สบายแต่คนที่ดื่มเนี่ยเดือดร้อนถ้าได้ดื่มก็มีความสุขแต่เดียวๆแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความอยากดื่มหายไปกับทำให้ความอยากดื่มกลับ เพิ่มขึ้นไปอีกตอนแรกเดิมก็ครึ่งขวดก็พอละต่อไปก็ขวดหนึ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความอยากมันจะทำให้ไม่พออยู่เรื่อยๆถ้าหยุดความอยากได้ตอนต้นตอ น, ต, อนต่อสู้กับความอยากมันทรมานถ้าไม่มีเครื่องมือมันช่้ไม่ไหว พราะว่าความทุกข์ทรมานใจนี่มันรุนแรงแต่ถ้ามีเครื่องมือนี่มันม่วยได้เวลาอยากก็เข้าสมาธิไปทำใจให้สงบความอยากนั่นก็จะสงบวงไปพอ อ, อยากสมาธิมาถ้าอยากอีูก็ใช้เหตุผลว่าอยากก็้มันเป็นอย่างไง อยา่างเรามันก็อยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆถึงถ้าไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากก็จะอ่อนกําลังลงไปแล้วก็หมดไปในที่สุดพอไม่มีความอยากแล้วทีนี้ก็สบายมันมาแก้ปัญหา ที่แท้จริงเหนกนก็คือความความอยากต้นเหตุของความอยากก็คือความอนือไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่อยู่ที่ความไม่อยากอยู่ที่การไม่มมม ก, มนนนะะกมระทำตามความอยากก็มีท่านี้แล้วเครื่องมือที่จะทำให้เราไม่กระทำตามความอยากได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาทานก็คือ เอาเงินที่จะไปใช้ตามความอยากนี่เอาไปให้คหนอื่นนะหรือไม่ให้คหนอื่นก็เอาไปเผาไฟทิ้งก็ได้มันก็แค่กระดาษนี่เองไม่งั้นเก็บไว้เฉยๆไม่ต้องไปใช้มันเก็บไว้เก็บไว้ในบ้านเก็บไว้ในอาคารแต่ไม่ต้องไปใช้ทุกอย่าไปใช้ตามตามความอยากนะไปเก็บไว้ก็ได้จะให้ ใ, ใครก็ได้ นี่บอกให้ไปให้มันจะสบายกว่าพอให้แล้วมันก็จะได้หมดปัญหาถ้ายังอยู่เดี๋ยวมันก็ยังอยากอยู่นะอยากจะเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราซื้อของที่ไม่จําเป็นเอาไปเที่ยวเอาไปดื่มเอาไปรับประทานถ้าไม่มีเงินมันก็ไม่ ถ้าไม่มีเงินมันก็ไม่มีความอยากจะเที่ยวเพราะมันเที่ยวก็ไม่มีเงินจะไปเที่ยวไม่ได้ถ้ามีเงินเดี๋ยวอยากจะไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นไปเกาหลีอั้นเวลาอยากจะใช้เงินเพื่อซื้อความสุขก็เอาไปให้คนอื่นเพช่วยเดี๋ยคนอื่นกับได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่อิ่มที่พอความสุขที่ดับความอยาก <P an> ไปเที่ยวได้ทุกครั้งอยากจะไปเที่ยวเอาเงนินที่อยากไปเที่ยวเนี่ยไปให้ไปทำบุญมันก็มีความอิ่นใจสุขใจขึ้นมาความอยากไปเที่ยวมันก็หายไปทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวก็ทําเนี้ยต่อไปมันก็จะไม่อยากเที่ยวรับรองได้ไม่ตายเพราะเราหยุดหยุดหยุดความอยากได้ดับความอยากได้เพราะเรามีทานเป็นตัวช่วย เวะดาทำทางแล้วมันทําให้ใจอิ่มใจมีความสุขนี่คือเรื่องของของทานทางมีไว้เพื่อส ก, กัดเรื่องการใช้เงินใช้ทองไปในทางของกิเลสกันหานั้นเองเป้าหมายของการทําทานอางนี้เพื่อไม่ให้เราเอาเงินทองไปรับใช้กิเลสกันหาเพราะการรับใช้กิเลสกันหาก็เป็นการส่งเสริมเรื่อง เลี้ยงดูกิเลสตระหาให้ให้มีกําลังมากขึ้น อ, อย่างที่บอกตอนต้นก็ขอดื่มแค่ครึ่งขวดก็พอต่อไปก็สองขวดสามขวด ม, มันจะเพิ่มกําลังมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเที่ยวตอนต้นก็เที่ยวในเมืองไทยก่อนต่อไปก็อยากไปเที่ยวเมืองนอกตอนต้ก็ไปแถวใก ล, ใก ล, ใกล้ใกล้บ้านก่อน ต่อไปก็ไปไกลๆหน่อยต่อไปก็ไปมันทุกแห่งทุกผลที่ไม่เคยไปถ้ามีทัวร์พาไปโลกพระจันทร์ก็ไปกันกต่อไปเนี่ยก็จะมีคนไปเที่ยวโลกพระจันทร์พราตอนนี้ก็กำลังสร้างยานอาวกาศที่จะพาคนไปเที่ยวโลกพระจันทร์นี่แหละคือความอยาก ถ้าทําลองทําตามมาแล้วมันไม่มันไม่น้อยลงมันจะเพิ่มมากขึ้นถ้ามีเงินสะมาสนับสนุนถ้าไม่มีมันก็จะบังคับให้เราไปทํามาหาจึงไปหาเงินทองมาให้ได้มากๆขึ้นาหาเงินหาทองก็ต้องเหนื่อยยากต้องวุ่นวายต้องทําบาทกทํากรรมบ้างในบางเวลาบางโอกาสทํามากทําน้อยก็อยู่ที่ จังหวะอยู่ที่โอกาสและอยู่ที่ความอยากถ้าอยากมากอยากได้วแน่มากมีโอกาสทำบาปแล้วได้ก็เอาว่าจะทำบาปมากอันนี้แหละเป็นทางของการไปการใช้เงินเพื่อไปรับใช้กิเลสตัณหาไปรับใช้ความอยากไปไปส่งเสริมความอยาก ส่งเสริมความอยากให้มากเท่าไหร่ก็จะส่งเสริมความทุกข์ให้มากขึ้นกันทนั้น mm. อยงนั้นเงินทองให้มีเก็บไว้สําหรับดูแลร่างกายเท่านั้นพอใช้กับในสิ่งที่จําเป็นร่างกายยังจําเป็นอยู่เพราะยังต้องเป็นเครื่องมือในการฆ่ากิเลสตัณหายังต้องปฏิบัติธรรม ยังต้องรักษาศีลยังต้องภาวนาอยู่ยามอย่าใช้เงินใช้ทองไปในทางกามสุขทางกามตัหาคนส่วนใหญ่ที่ใช้เงินทองก็เพื่อกามตัญหาเห็นกระเป๋าสวยๆเห็นเสื้อผ้าสวยๆเห็นรองเท้าสวยๆก็อยากได้ มันทั้งที่ไม่มีมันก็ไม่ตายมันทั้งที่มีกระเป๋าอยู่หลายใบมีเสื้ออยู่หลายชุดแล้วรองเท้าอยู่หลายคู่เห็นไหได้ยินข่าวนะคนมีรองเท้าต้องพันคู่มีรองมีท้าอยู่คู่เดียวแต่มีรองเท้าต้องพันคู่มันมีเหตุมีผลไหมมีเสื้อผ้าเป็นพันชุด มีร่างกายเพียงร่างเดียวเนี่ยเรก็ไม่มีเหตุมีผลคนไม่มีเหตุมีผลก็เหมือนคนบ้านี่ฉะนั้นต้องคอยควบคุมการใช้เงินใช้ทอง ถ้าเราไม่ใช้มากเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินทองมีเวลามาอยู่ปฏิบัติธรรมได้ถ้ายังอยากใช้เงินยังอยากเป็นไฮโซอยู่ยังอยากจะมีหน้ามีตาอยู่ก็ต้องทำงานเพื่อจะได้มีเงินทองเข้าสังคมเข้าไฮโซก็ S oul, <S จะไม่มีเวลามา ภาวนาแต่ถ้าเราต้องการเพียงมีปัจจัยสี่มาดูแลร่างกายของเราเราก็อาจจะไม่ต้องทำแล้วก็ได้ถ้าทำมามากพอแล้วถ้ามีมากพอแล้วลองคำนวณดูสิค่าอาหารวันเท่าไหร่ค่าที่พักวันเท่าไหร่แล้วดูปริมาณที่เรามีอยู่ พอไหมแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมีไปจนถึงวันตายหรอกถ้าเรามีพอทำให้เราปฏิบัติไปถึงขั้นหนึ่งที่เราบวชได้แล้วก็สบายราบวชได้เราก็ไปกินข้าวพ้นบาทกินเรษอาหารของของวัดก็ได้หรือในวัดเป็นแน่ชีอาศัยช่วยวัดทำงานนิดหน่อยเพื่อจะได้มีที่อยู่มี มีอาหารรับประทานมีสถานที่สงบไว้ภาวนาฉะนั้นพอละพอบวชได้แล้วก็อยู่วัดได้แล้วก็ว ไ, วไม่มีเงนินมีทองก็ไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวมีคนศรัทธาเข้ามาดูแลเราเองพิ่งแ้่เราสมาถะเรียงง่ายไม่ขอใครไม่อะไรกับใครอยู่แบบตามมีตามเกิดไม่มีใครเขาปล่อยให้เราตายหรอก ถ้าเป็นนักบวชเป็นแม่ชีเป็นพระนี่ถ้าไม่ถ้าให้หวือหวาไม่ฟู่ฟ้าไม่ขอนู่นขอนี่อยู่ไปตามมีตามเกิดนักน้อยสันโดษไม่ต้องกลัวอดตายไม่มีวันตายเรามีเพลงหกพันนี่เราก็บวชได้แล้วใช้เงินหกพันแค่ปีเดียวไว้ปฏิบททัติบตธรรม เรายังมีเหลือด้วยนะไม่ใช่ไม่มีเหลือใช้ดืนอนละหกมสมัยก่อนกินข้าววันละมื้อละห้าบาทก็อยู่ได้เส้นดเดี่ยวชามละสองบาทข้าวหมูแดงเข้ามันไก่จานละสามบาทกินห้าบาทนี่ก็อยู่ได้นดเนื้ข้าวแกงก็เหมือนกันข้าวแกงจานละสองบาทสามบาทกินสองจาน ก, ก็อยู่ได้นะ ล้วไม่มีอะไรต้องใช้เนี่ยเราไม่ไปดูไปฟังไม่ไปเที่ยวไ้ไหนเราเอาแต่เดินจยงลมนั่งสมาธิมันอยู่ในบ้า น, นอ่านหนังสือธรรมะต่อสู้กับคว า, ามอยา ก, กต่างๆถ้าอยากออกไปเที่ยวเนี่ยมันจำต้องเสียเงินเสียทองหรืออยากจะไปซื้อ น, นู่นซื้อนี่ ตั้งแต่เราอ่านหนังสือธรรมะมานี่เราจับประเด็นได้เลยว่าอ๋อปันตัวปัญหาก็คือความอยากต้องสู้กับตัวนี้ให้ได้ตัวเดียวธรรมจะของพระเจ้าทุกขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อสกัดความอยากเท่านั้นทานก็สกัดความอยากศีลก็สกัดความอยากภาวนาก็สกัดความอยากพ อ, อไม่มีความอยากแลสบายมันไม่มีเชื้อโรค ร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเวลามีเชื้อโรคนี้ร่างกายก็ไม่สบายเป็นไข้หวัดเป็นมาลาเรียเป็นโรคอะไรต่างๆที่เกิดจากการติดเชื้อโรคใจไม่สบายก็เพราะความอยากแล้วแทนที่จะหยุดความอยากก็ไปทำตามความอยากเพื่อจะได้สบายใจ อยากได้อะไรก็ไปซื้อมาอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปมันก็เลยไม่มีวันหมดต้องหยุดความอยากทุกรูปไบลองนั่งบนเก้าอี้สักสองสามเร่ 3, บวงขึ้นไปก่อนก็ได้นั่งเฉยๆถ้าภาวนาได้ก็ภาวนาไปก็จะทำให้สบายหน่อย ถ้าภานามไม่ได้ก็ใช้ความอดทนสู้กับมันดูสู้สู้แบบไม่ต้องใช้อะไรละใช้ขันติตัวเดียวเดี๋ยวเวลาความอยากมันหยุดนี่ความตึงเครียดหายหมดเลยเวลามันอยากนี่โอ้มันปั่นปวนอยู่ในใจแต่เราไม่ยอมทาตามความอยาก ม, มันจะให้ลุกไปตรงนู้นก็ไม่ไปลุกไปนันวะก็ไม่ไปน อ, ไปอนั่งตรงนี้เหลอวะ จนพอมันรู้ว่ามันไปไม่ได้ปั๊บมันก็หยุดหยากพอหยุดอยาบรับความปั่นป่วนนี้มันหายไปเลยมันมันมันหายฟุ้งแต่แต่ว่ามันรวมไม่รวมแต่มันมันเครียดมันฟุ้งมันปั่นป่วนแต่พอมันรู้ว่ามันไม่มีทางที่จะได้ตามที่มันต้องการแล้วมันพอมันยอมแล้วมันหยุดหายไปเลยกลับมาเป็นปกติอย่างตอนที่เรานั่งอยู่ เห็นเห็นฤทธิ์ของของความอยากและเห็นเห็นคุณของการต่อสู้กับความอยากการชนะความอยากแต่ละครั้งนี่รู้สึกว่าโห oh, มันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แต่ก่อนจะขึ้นสวรรค์นี่มันต้องผ่านนรกก่อนตอนที่มันออกฤทธิ์ออกเดกเพราะนั้นน่ะต้องต้องทนผ า, าเดินผ่านนรกไปให้ได้ถ้าผ่านนรกไปได้ก็จะไปเจอสวรรค์ เรลานี้เป็นคนมีโชคไม่ต้องทงาอํางานเลยต้องขังตัวเองบ้างขังกิเลสบ้างอย่าไปทําอะไรหาเวลาว่างๆนั่งเฉยๆสู้กับความอยากอยู่บ้างไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องเดินไม่ต้องรับประทานนั่งเฉย อาจจะใช้ธรรมะก็ได้ไม่ใช้กันถ้ามีธรรมะก็ใช้ไปถ้าพุโทโธได้ก็พุโทโธไปดูลมได้ก็ดูลมไปภาวนาไปมันก็จะทําให้สบายหน่อยเวลาผ่านไบเร็วหน่แต่มันก็ยังสู้สู้กันแบบเพียวๆไม่ได้ปล่อยให้มันความอยากเกิดให้มันดิ้นสุดสุดสุดฤทธ์แล้วมันหยุดของมันไปเองถ้าเรารู้แล้วว่านี่คือเป้าหมายของเรา การเข้าสมาธิก็เป็นการหลบเค่นั้นเองหลบเลยหยุดการผลิตความอยากขึ้นมาชั่วคราวแล้วพอออกจากสมาธิมามันก็ผลิตขึ้นมาใหมา่ถ้าจะให้มันหายก็บอกต้องไม่ทำตามคจั้องรู้ว่าความอยากนี้เป็นเป็นพิษเป็นภัยเป็นเหมือนศัตรตูต้องฆ่ามันเพียงอย่างเดียว ตัวอื่นเนี่ยคือลูกก็ลูกถือสิแปดม้ <ừ> ตัวอืนก็ไม่ค่อยดีดต่อีตัวร้อนนะคะอาจารย์เวลาอากาศร้อนมากๆใช่ไหมคะมันจะนันนะน่งสมาธิมันจะมันจะร้อนเกินตวนะคะแล้วลูกแกโดยวิธีอาบน้ำนะเป็นทั้งวันอย่างนี้ถือว่าื้อหนอก็ปล่อยให้มันร้อนเลยสิอยู่ไปอาบแค่วันละหนก็พอ อาเพื่อชำระร่างกายไม่ใช่อาเพื่อดับความร้อนครับกราคิดว่าเราเป็นไข้มาลาเรียก็แล้วกั่ที่มันร้อนเป็นเวลาเราเป็นไข้นี่ถ้าปล่อยมันร้อนไปที่มันปวดหัวเพราะใจเรามันต้านกั้นหาเรามันออกฤลิ์เออใจมันอยากจะให้ความร้อนหายไปมันไม่ยอมรับกับความร้อนมันก็เลยผลิตอาการ การต่างขึ้นมาทางร่างการปล่อยให้มันดิ้นไปสุดๆอ่ะเดี๋ยวพอมันยอมรับความร้อนได้แล้วมันจะหาไม่ลองไปอา่าน้ำอยู่ก็เล่นไปจากการนั่งสมาธิกับความ ร, ร้อนครับพรจางมีผิวตัวเนาะปุ่มที่ไปจับหลวงพ่ อ, อกเกต์ล่าสุดนะครับแล้วหลวงพ่ อ, อกเกต์ท่านก็ไปนั่งกลางแจ้งอากาศ ร, ร้อนเหมือนเมืองไทยเงี้ยครับ เราว่าโอ้ยหลวงพ่อไม่ร้อนยิ่บ้างเหรไม่ร้อนมิ่งบ้างคือนั่งลุยเลยกี่ชั่วโมงก็ลุยๆท่านบอกว่าข้างในอ่ะมันเย็นใช่ข้างในเย็นเพราะจิตนึงจิตมันสงบมันเย็นมันไม่ร้อนออืถ้าจิตไม่สงบนี่มันจะเด่นมันจะต่อต้านความร้อนมันยิ่งทําให้ข้างในร้อนกว่าข้างนอกที่มันทําไม่ได้มันไม่ใช่ร้อนข้างนอกมันร้อนข้างในกายเราร้อน ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายร้อนร่างกายร้อนอยู่จริงแต่ความร้อนของใจนี่มันหลายเท่ากว่าเพราะความอยากให้ความร้อนของร่างกายหายไปก็เหมือนทุกขเวทนาอย่างที่พูดแบบเดียวกันนั่งแล้วเจ็บก็อยากให้มันหายเจ็บเจ็บข้างในมันเลยยิ่งรุนแรงกว่าเจ็บข้างนอกคนที่ไม่เจ็บข้างในจึงนั่งได้สบายร่างกายจะเจ็บยังไงก็รับมันได้ เนี่ยต้องใช้ให้มันเย็นข้างในให้มันให้มันไม่เจ็บข้างในก็ทําได้สองวิธีถ้าอุบายของสมาธิก็พุโทโธไปสวดมนต์ไปเป็นเวลาฟังเทศฟังธรรมไปมันเทินกับการฟังธรรมมันก็ไม่รู้เสร็จอะไรจะร้อนอยังไงมันก็มันก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจมันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องความร้อนใจมันอยู่กับร่างกายอันนี้เป็นการเบีเ่ยงเบน ถ้าจะแก้แบบสุดแก้แบบแบบปัญญาก็ต้องบอกว่เป็นเรื่องธรรมดาความร้อยเป็นธรรมดาร้อนหนาวเย็นเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาต้องอยู่กับมันให้ได้อะไรจะเกิดก็ต้องอยู่กับมันไปรับรู้มันไปใจเราอย่าไปร้อนกับมันแล้วมันรับรองได้รับ ไ, ได้กับทุกสภาพเหตุใจเราอย่าไปอยากให้มันเป็นอื่น มันเป็นอย่างนี้ก็ให้มันเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้มันหายไปความอยากให้มันหายไปนี้สร้างความทุกข์ใจความร้อนขึ้นมาภายในใจเราถึงต้องฝึกสติกันก่อนเพื่อจะได้ควบคุมตันหาความอยากที่จะใช้ความคิดเป็นตัวแสดงออกมาถ้าเราใช้สติควบคุมได้เราก็หยุด ตัานหาได้อันนี้ก็หยุดด้วยสมาธิด้วยสติแล้วพอมีเรามีกำลังที่จะใช้ปัญญามีใจมีมีกำลังต้านตันหาคือสมาธินี้ช่วยต้านตันหาได้แต่ดับตันหาไม่ได้พอมีกำลังต้านตันหาได้ก็ใช้ปัญญามาดับตันหาได้ด้วยด้วยเหตุผลเหตุผลก็คือเราต้องยอมรับความจริง เราอย่าหนีความจริงเราอย่าไปให้ความจริงหายไปความจริงมันไม่หายหรอกเช่นฝนตกนี่จะให้มันหายมันหยุดมันไม่หยุด เ, ร, เราต้องยอมรับความจริงตกก็ตกไปร่างกายจะเจ็บจะร้อนจะปวดก็ปล่อยมันเจ็บไปปวดไปร้อนไปอยู่กับมันไปถ้ารับความจริงได้ไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างอืง่นมันก็จะ มันก็จะสงบมันก็จะสบายภายในใจร้อนยังไงก็อยู่ของมันได้เมอแท่ทั้งถึงร้อนขนาดถูกเผาเวลาร่างกายถูกจับเข้าเตาเผานี่ถ้าใจยังรับรู้อยู่มันก็มันก็ไม่เดือดร้อนก็ปล่อยให้มันเผาไปนี่แล้วใจพลังจิตอุเบกขา วางเฉยพราะไปเปลี่ยนความจริงไม่ได้ใช่ครับพูดถึงความร้อนแล้วนีกถึงา <c oughs> การปกป้องพุทธศาสนาของประเทศอะไรผจะไม่ได้ครับที่เบสหรืออะไรก็อย่างนะคที่พระเนี่ยพาตัวถาตายนั้นถือลูกผิดถูกตวะจางผีดเลสิมันไม่ใช่เป็นวิธีที่พระเจ้าสอนนั่นหรอไม่ใช่มันทำอไไม่ได้ พุทธเจ้าสอนว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงต้องยอมรับความจริงมันไม่เที่ยงศาสนาพุทนนี้ก็ไม่เที่ยงไม่เกินห้าพันปีพระเจ้าบอกมันก็ต้องหมดไปท่องอย่างนั้นจะมีอั น, นิสงส์ในส่วนของอฝ่ายกรรมบาปามีแน่แต่ส่วนของกรรมดีมีไหยครับพราจาร ไ ม, มไม่มีเลยใช่ไหมเพราะมันทําบาปมันจะมีะส่วนดีได้ไอ๋อแบบการทำบาปก็คือฆ่าตัวตายส่วนดีก็คือปกป้องผู้สาารนาส่วนนั้นจะเกี่ยวข้องไหมครับอาจารย์มันไม่ใช่เป็นวิธีปกป้องอวิธีปกป้องคือเนี่ยต้องมาปฏิบัติด้วยไปฆ่าตัวตายแล้วมันมานั่งสมาธิมาให้มันเห็นนาร ย, ย า, าศ า, า, ยยาสตร์สีคอยนารยาศาสตรสีแล้วก็สอนคนได้เยอะแยะ ศรัทธาของคนอยู่ที่อยู่ที่คนสอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อตัวตัววัดตัวเจดีย์ตัวาศาสนาศาสนาแท้อยู่อยู่ในใจของคนสอนถ้าคนสอนมีาศาสนามีธรรมก็จะรักษาศรัทธาคนไม่ได้แต่ถ้าคนสอนไม่มีธรรมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเหนมี่ย พอไม่มีทาก็ลาสิยขาไปอันนี้ทําให้เสื่อมนะเพราะคนที่ติดตามคนที่พึ่งคาสอนนี้เขาก็เคว้งนะเขาก็ไม่มีที่ที่ยึดเกาะนะอย่างลูงตาเสียไปองค์หนึงไปไงลูกศิษย์ก็ก็วุ่นกันหาที่เกาะหาหาที่พึ่งกันมา่า พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ฆ่าตัวตายเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้สอนให้รักษาพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาปริยัตปฏิบัติปฏิเวทอันนี้แหละเป็นวิธีที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ไม่มีใครสามารถทำลายได้ธรรมะที่อยู่ภายในใจของคนนี้ทำลายไม่ได้เขาอาจจะ เผาวัดทุกเจดีทุบพระพุทธรูปตอนเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นศาสนามันเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองมันเหมือนป้ายบอกทางตัวศาสนาจริงอยู่ในใจของคนแม้แต่ถ้าค่าร่างกายของคนที่มีศาสนามันก็จะค่าได้แต่ร่างกายใจของผู้มีศาสนาก็ยังสามารถถ้ายังติด ถ้าติดต่อกับกายทิพย์ได้ก็ยังสอนเทวดาได้นะมันมันไม่ได้มันไม่ใช่วิธีการฆ่าไม่ว่าค่าผู้อื่นและฆ่าตนเองนี่มันบากอยู่แล้วมันโง่อยู่แล้วอยู่ดีๆไปฆ่าตัวเองทำไมร่างกายของตัวเองมีประโยชน์มากจะตายทํยทำไมไม่มาศึกษาไม่มาปฏิบัติ ไม่มาบรรลุธรรมกันศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วบรรุธรรมก็หลุดพ้นตัวเองก็หมดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นให้หลุดพ้นอีกเป็นจนํานวนมากดูหลวงปู่มั่นองค์เดียวเนหะ็นไหมถ้าหลวงปู่มั่นไปเผาตัวเองประท้วงที่ไหนเนี่ยแล้วแล้วมันจะมีใครมาเป็นหลวงปู่มั่นมาสอนหลวงปู่มั่นท่านก็ ศึกษาปฏิบัติปฏิเวทบรรลุแล้วท่านก็มาสั่งสอนก็มีพระที่ไปศึกษารับธรรมะมาไปปฏิบัติก็บรรลุกันสิทธของหลวงปู่ม่านที่เป็นท่านี่เป็นท่าอาหารนี่ไม่ไม่ใช่น้อยนับเป็นหลายสิบคนหลายสิบองค์กันแล้วลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของท่านอีกก็มามาถ่ายทอดกันอี่ เมื่อก่อนนี้ไม่มีใครรู้จักกรรมฐานพระป่าพระกรรมฐานพระป่าไม่มีใครรู้จักเดี๋ยวนี้ดังแล้วะดังไปทั่วประเทศใครได้สัมผัสรับรู้ก็เกิดศรัทธาขึ้นมา mm. เน่เห็นเห็นศาสนาจริงวิถีชีวิตของศาสนาจริงอยู่แบบเรียบง่ายมักน้อยสัโดวกอยู่ในตามสถานที่สงบสงัด ไม่ได้อยู่แบบวัดที่เราเห็นกันในบ้านในเมืองอะอย่างนั้นไม่มีใครอยากจะเข้าเข้าไปแล้วเหมือนกับเข้าไปศูนย์การค้ามีมีของขายมีของกินของซื้อของใช้บางทีก็เป็นตลาดนัดไปเลยมีมหรหสพมีหนังกลางแปลงสมัยก่อนเราเข้าวัดก็พอมีงาน งานประจำปีเนี่ยเราชอบไปมีลําวงมีหนังมีเครื่องเล่นต่างๆปัจจุบันก็มียังมีอยู่อ่ะยังไม่เลิกอ่ะ่เปตลาดไปแล้วกลายเป็นงานงานดีตลาดนักเต็มไปหมดแต่งานประจำปีไม่มีแล้วตอนคืนที่ก็จัดมันมีหลายงานงานเยอะไปหมดึงไม่รู้งานไหนเป็นงานหนกันแล้ม ทำไมนั่นเไมเด็กๆแล้วก็ไม่ได้ต้องสาสนะล่ะก็รู้ว่าวัดมีหนังก็ไปแล้วไปดูหนังซีหนังกำแลงไปดูเขาลาวงกันมีนิเกมีอะไรหลายๆอย่างมีร้านอาหารหารการกินโอ้โหแย่ไปหมดมีของเล่นเด็กปลาปักกับเด็กปลาดิงปืน เพียงบอลให้เขาตกน้ำนะามน้อยตกน้ำามน้อยตกน้ำอันนั้นอนะมันอั น, นั้นอย่าไปรักษามันเลยใครอยากจะทำลายลายเอ้ยอย่างนี้แสดงว่ า, าวัดเนี่ยที่นุ่งแต่การค้าธุรกิจเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องทะนุบำรุงใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ต้องไม่จำเป็นเลยไม่ต้องอ่ะ ตูป่าดีกว่าเป่าี่ักิิทธดีกว่าเราเนี่ว่าาก็ไม่ต้องการอะไรมากขอให้ใส่บายท่านได้ฉันต้องมีท่านก็พอแล้วกุดโตกตุดตินท่านก็ถ้า อ, อยู่ในป่าไม่มีใครถวายอะไรท่านก็หาไม้ในป่าทานเองก็ได้เพราะป่ามันป่ายุคแรกๆนี่เป็นกระต๊อบแบบใช้ยญ้านะแล้วฝาก็ใช้ใช้ใไม่ไผขัดให้พวกถุงปูนเนี่ เป็นฝาเอออาย่ไม่เคยดูภาพเก่าๆเขามีกระตอบอยู่หลังของวัดตาบรรดาที่เข้ามาสร้างไว้ในที่วัดบวรวัดบวรนี่มีติกอยู่เตึกยิงเลือกตึกพปรมีอยู่สี่ชั้นชั้นบนเขาทำเป็นนิทรัศการภาคกรรมฐานแล้วก็ มีนิทธธัศการชีวิตของภาพป่าใไหรัแล้วทำไมตอนหลักนี่มาันาเป็นแค่แค่แล้วไม่มีขนังแล้วก็ก็เพราะว่ามันคือเดินทีเนี่ยสร้างกุฏิกุฏินี่มักจะต้องอยู่ในที่โล่งหน่อยเพราะว่าถ้ามันอยู่ในที่ป่าเนี่มันจะหนึ่งกระเบื้องมันจะแตกถึงม้วนถึงมัดสองอากาศมันจะทึบมันจะทำให้อยู่แล้วมันจะ ไม่สบายชื้นบางทีเป็นไข้ได้ง่ายกุฏิเลยต้องออกมาอยู่ที่โล่งหน่อยนั้นแต่ละกุฏินี้พระจะไปสร้างแค่ให้ในป่าไ<อ>ว้สําหรับไปใช้ช่วงคาว<อ>ในช่วงที่ตอนอยากจะไปภาวนาก็เข้าไปใช้ในแค่เวลาจะพักอยากจะมานอนก็ออกมานอนข้างนอกอที่โล่งก็จะมีญาติโยมเห็นดังนั้นก็ต้องปิด อ่วนโตของใครของมันนี่นะแต่ถ้าเปป่าก็จะแบบเปิดสีด้านคือมันสร้างสร้างแค่ง่ายๆเพราะมันอยู่ชั่วคราวไม่ได้ไปพักผ่อนหลับนอนเป็นที่หลับไปนั่งสมาธิหลบแดดหลบฝนเท่านั้นเองที่ต่อมามีพาะเข้าไปเยอะอยากจะไปอยู่กันเยอะแต่ไม่มีกุติพอพระเขาก็เลยเขาก็เลยไปสร้างก็ต่อปกันสร้างแค่กันในป่าเท่ ตอนท่านไม่ต้องการให้สร้างสติมากเกินไปเพราะมันใช้เวลามากแล้วก็ทําให้ทําลายควาสมสงกทําลายเวลาที่จะภาวนาถ้าสร้างเดี๋ยวมันจะสร้างไปเรื่อยๆคนศรัทธาก็จะบ่อยจากสร้างไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่มีป่ามันจะตัดตอนไม้ตัดตอนไม้สร้างสติไปเรื่อยๆท่านก็เลยท่านท่านก็เลยปล่อยใครอยากจะอยู่ก็ไปทําสร้างแค่อในตา ตอนที่เราไปยุงแรกนี่ใช้ใช้ได้ทั้งมีทั้งกุฏิมีทั้งแค่แต่ตามมามีพระเข้าไปเยอะๆก็เลยต้องแบ่งกันคนอยู่กุฏิก็อยู่กุฏิคนอยู่แค่ก็อยู่แค่แล้วอยู่แค่เขาก็อยู่ท่านก็อยู่กันแบบตลอดไปเลยงั้นอ่ะก็อยู่อย่างนั้นอ่ะเพาะไม่มีที่อยู่อะของเขินก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแค่บาอาทท่านนั้นเองก็เหมือนไปทุ่งดงในป่าเนี่ย เทอที่มันกี่ไล่ครับอาจาย์ที่วัดป่า <160 S> 1้อย <160 S 1> หกสิบ <60 S 1> ไล่รอหกสิบไล่ครับตอนที่เราเข้าไปท่านรับเพียงสิบหกสิบเจ็ดรูปแต่ตอนเราออกมานี้มียี่สิบกว่าเข้ามายี่สิบหกยิบเจ็ดตอนนี้ตอนที่ตอนที่หลวงตายังมีชีวิตอยู่ก็ตอนที่ท่านเสียมีห้าสิบกว่าหกสิบ แต่ถ้าไม่สร้างกุฏิเพิ่มไม่อยากให้วัดกายเป็นเมืองไปทำงา น, น, นรับสารไม่กลายเป็นเมืองเลยนะนรามาอยู่นี่ต้งแต่ปีสามศูนย์นี่เราไม่ได้ตัดต้นไม้ไม่ได้สร้างกุฏิอะไรเพิ่มครับเพิ่งมาสร้างแค่เจ็ดหลังนี้เมื่อปีปีที่แล้วนี่เอาแล้วสิบสองรูปและที่เหลือนอน จำที่ไหนครับถ้าเจ็ดหลังครับที่ทั้งหมดมีสิบตนี่ก็ติอยู่สิบกว่าหลังเนี่ยอกอสิบหลังนะ<ม>เรา อ, อยู่ได้ประมาณสักสิบสองสิบสองสิบสามหลังเรามาสร้างแคบเพิ่มไว้เผื่อมีคนคนู้นคนนี้อยากจะมาขอพักชั่วครั้งชั่วคราวท่ า, ทานี้ท่ า, า, า, อานอาต้องการใช้น้ำอยู่ไหมไม่ต้องการอะไรน ะ, นะนะต้องการก็มีเงินซื้อเยอยนะแยะเหมืนกั เราไม่ต้องขอใครเราเป็นเศรษฐีไม่ให้ออกใจก็เห็นกรรมบุญก็ทามันที่เห็นทำแล้วเก็บไว้เก็บไว้พอเราจะใช้อะไรเราก็าไปซื้อใช่ไปพูดถึงพระต้องการอะไรครับอาจารย์ผมเห็นในเฟซบุ๊กบบ เ, ขเขาเขาตกลงกันม า, มาที่วัดพระอาจารย์ตัด น, นะครับเขาขึ้นป้ายไว้เลยว่าพระที่นี่ต้องการอะไรบ้างแต่ผมจำไม่ค่อยได้นะครับประมาณว่าพระที่นี่ต้องการ ภาริยาฤิโสดาบันในแจกเนี้ยแค่นั้นแล้ยังอืนไม่เอาแล้อาจารย์จับไหมครับอาจยครับตอนนี้ครับตอนนี้อาจจะว่าผ ม, มันน้าหนักเยอะใช่ไหมครับอาจารย์ผมก็เลยใช้วิธีจะลดน้ำหนักมันก็ลดลงได้บ้างนะครับอาจารย์แต่ว่าใช้วิธีพิจารณาความอยากของเราสม ม, ม, มติว่าตอนนี้เราอยากเนี่ ก็ดูมันไปดูไปแล้วมันก็ไม่ทหากระพ่ายอาจารย์แต่เราบางทีมันหิวเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโรคกระพาเนี่ยเราก็ใช้ว่าหาอะไรกินรองท้องให้มันไม่หิวไปโดยที่มันให้มันไม่กระเทือกับตัวร่างกายมากนักให้มันแบบอยู่ต่อไปใ ห, ให้มันไหเรื่องอะไรครับให้มันไม่เกิดความอย า, มากมากนักครับอาจารย์นะ ไม่เราต้องพิจารณาความจริงสิอย่าไปพิจารณาความอย<ช>่างความจริงก็คือครูคบาอาจารย์ท่านกินวัละมือท่านก็อยู่ได้ไม่เหนท่านเป็นโลค ก, กระเพาะเลยแล้วลองกินวัละมือดูสิเท่านั้นเองอ่ะง่ายจะตายเลย<ต>นี่เราบางทีมันหิวก็ต้อเอาอะไรแบบน้ํำบ้างนมบ้างใส่ไปบ้าง ม, มันหิวที่ใจอย่างที่บอกนะมันไม่ได้หิวที่กายอเวลาหิวที่ใจก็นึกถึงอาหารที่เราจะ กินเวลามันอยู่ในปากเราเนี่ยเราอยากจะกินมันไหมถ้าเห็นมันอยู่ในปากเนียนึกถึงตอนออกเลยดีกว่านั่นแห <c oughs> ละอะได้นึกถึงตอนออกไม่ตอนที่อยู่ในท้องไม่ตอนที่อยู่ในฝังอย่าไปมองตอนที่มันอยู่ในจานถ้ามีอยู่ในจานขนาดกินอีก ม, มันยังอยากจะกินเลยอความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างท่านบอกนะเห็นถ้าจะจะสู้กับตัญหาต้องใช้ความจริงต้องดูครูบาอาจารย์น ก็ถือสินแปเพียงแต่ว่าเอาสินหกนะั่คือเอาข้อที่หกก่อนก็ได้ข้ออื่นยังไม่ต้องก็ได้เอาแค่ไม่กินไม่กินข้าวหลังจากเช้าวันเออไม่กินม้อเย็นไปก่อนก็ได้พอไม่กินมื้อเย็นได้ต่อไปก็ลองไม่กินไม่กินเออเอามื้อเดียวดื่อแล้วก<อ>ินน้ำหวานเหมือนทิพย์พักเดือดน้ำปะนยะเอดือดน้ำพุ่งน้ําอะไรไปตอนตอนเย็นถ้าหิว แตอย่าไปกินมันดีกกินมัน ก, มนก็มันก็หาเรื่องกินอยู่นี่เดเมันไม่ได้หิวที่ร่างกายครับเอามันเพีวๆเลยกินเ<แ>มือเดียวลัางยาหน้ากินแต่หน้าเปล่าๆจะได้ตัดปัญหาไปหมดแต่มีอย่างนึงที่สังเกตเลยว่าถ้านอนดึกเดี๋ยวมันก็จะหิวก็พยายามนอนเร็วพยายามนอนเร็วของพัทยา ก, ก็คือตุๆๆๆ้มเช้าคืนครับพัทยาพัทยามันเมืองคนบาปนืแต่ว่าพูด คนที่ทำงานในปัญญาครับพวกผู้หญิงนะวิญญาณบอกว่าน่าสงสารนะครับพวกเนี้เขามีความรู้เขาจะเขาเขาใหได้แค่ทานนะครับแล้วก็ทานม่ถูกวิธีด้วยให้ใครก็ไม่รู้พรายืนรอหน้าตลาดก็ไม่รู้หล่ะเขาขอให้ได้เขาเชื่อว่าทําบุญกับพระภาพแบบไหนก็เหมือนกันเขาไม่รู้ว่าภาพมีแตกต่างกัน ก็บวดวัดบ้านแบบที่เขาบวช ด, วด่วนครับพอผมมารู้จักพาจริงๆแล้วผมบอกแด้ว่าบวชทำที่นั่นแม่ไม่ได้ไดอืญผมบอกแม่เลยไม่ได้ไปอบอกเลยว่าแม่ไม่น่าจะได้บุญเลยคือ คาจริงบุญรู้ไม่ได้ไม่ได้มันส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่แม่ตัวคนโบนทั้งแหละก็คือที่เขาบอกว่าแม่ได้ขอใช้พระเหลืองไหครับอาจารย์ผมก็บอกแม่แม่ไม่ได้ไม่รู้จะได้ขอหรือเปล่าก็เพราะผมไม่ได้บุญแล้วแม่จะได้บุญจากผมได้ยังไงนั่นดีเพาะตัวผมเองมั่นใจเลยว่ายังไม่ใช่นะยังเรายังไม่รู้จักศาสนาตอนนั้นถ้าใช่เราก็สอนแม่ให้รู้จักธรรมะได้ช่วยกันอยู่ครับระหว่างผมกับแม่ก็ภาวนาอย่างที่พระอาจารย์บอก พอาการบอกไปผมก็ไปบอกไม่ทีนั่นแหละบุญก็คือการได้ศึกษาความจริงได้ศึกษาสื้อศึกษาทางที่จะนําไปสู่ความดับทุกข์อันนี้เรียกว่าบุญอย่าที่เกาะชายผ้าเหลืองก็เพื่อจะได้เข้าเข้าเข้าถึงตัวศาสนาแต่ในเมื่อคนบวชเองก็ยังเข้าไม่ถึงตัวศาสนาแล้วคนที่เกาะชายผ้าเหลืองมันจะไปมันก็ไม่ได้ไปถึงด้วยกัน แต่ถ้าไปบวชกับอยู่กับวัดป่าอยู่กับหลวงตาอย่างเงี้ยมันจะได้เยอะแยะเลยมันจะได้รู้ความจริงต่างๆที่เราไม่รู้กันมาก่อนแต่ว่าแต่ว่าตัวอันนี้ส่งของของแม่เขาก็ได้ตอนที่ปิติตอนที่บวชได้เขาก็ยังได้เขาก็ได้ได้แต่มันก็ยังได้แบบในทางที่มันผิดเอะมันคือแล้วอันิี้ส่งธรรดานี่เป็นคนจริงๆครับพอ่ พ่อเขาเป็นคนติดเหล้าตั้งแต่ไหนจะไรตั้งแต่ผมจนจนผมโตจนทุกวันอืมช่วงแม่ภาวนาเขาเขาภาวนาพุดโท ย, ย่างเดียวแล้วผมก็บอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะดีขึ้นตามทาี่พากย์การพูดบ้างอะไรบ้างผมก็บอกพอจนทุกวันที่พ่อผมไปกินเหล้านะคร<อ>ับเขาเขาเลือกอเขาเองอืมไม่มีใครงคังครบอืนเขาขอวันี้บังคับกันไม่ได้ต้องเกิดจากศรัทธาเห็นไหมเพราะพระเจ้าบวชแน่าของพระเจ้าก็อยากจะบวชตามนะเห เนี่ยได้เกาะชายเพื่อนหลังต้องเกาะแบบนี้นี่เรายังบวชไม่ทลายเสร็จกแล้วแล้วแม่ก็จะบวชตามได้ยังไงบวชตามปกติก่อนนั้นนะครับก็ถึงแบบว่าเป็นความเชื่อแบบตามประเพณีไปคือได้บุญแบบได้บุญแบบประเพณีแต่ไม่ได้บุญแบบแบบจริงๆอ่ะผมมารู้จักหลวงตาครับผมอันนี้ก็มาทางนี้โดยตรงครับผมดิ่งมาทางนี้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพร้อมก็กลับมาบวชลรวคราวนี้ไม่ต้องตื่กันนี่ว่าสองวันก่อ น, นี้คนมาบมาบอกว่ามีมีหมอคนนี้หมอศิริราชหมอผ่าตัดทางมะเร็งทางช่องท้องของผู้หญิงนาลีเวนเกี่ยวกับของนาลีเวนอายุมากแล้วหกสิบห้าแล้วใกล้จกเกษีน ไม่ทราบไปอ่านหนังสือธรรมะอะไรมาแล้วเกิดศรัทธาอยากจะบวชมีกาหนดว่าจะไปบวชวัดบอรแล้วก็จะไปอยู่กับวัดท่าจา์ตันฮะ อ, อยูั้ตนัเไม่รู้ชื่ออะไรก็รามาเล็งทางทาง ส, งสูนยกได้ยังคือนัือสาน่ศึกไหนที่ไม่ได้ขึ้นคือเป็นเรื่องเรื่องของน ครับเป็นเจออังนณลิเวตนะอ่าอ่าอืมแต่เพื่อนหมอที่เขามาเล่าฟังเขาเขากลัวว่าอาจจะอา่านหนังสืออย่างเดียวยังยังไม่รู้เรื่องของการบว่วชก็เพราะว่าเวลาอา่านหนังสือมันอาจจะไม่ได้พูดเรื่องของเกี่ยวกับ ข, ข้อวัดปฏิบัติของพระการอยู่ของพระอยู่มันยังไงเพียงแต่พูดแต่เรื่องภาวนาเรื่องนั่งสมาธิเรื่องอะไรแต่การบวชนี่มันพอมาบวช น, นีน่มันมันมีอุปสรรคอีกข้อนึ่งนะเนี่ยการเป็นพระการรักษาธรรมวินัยการปฏิบัติข้อวัดปฏิบัตินี่มันก็มันก็ไม่ง่ายเรื claro> ่องหมอ สี่ลีลารัอาจารย์ผมไปเจอหลวงปู่องค์หนึ่งครับท่านบวชได้ประมาณสี่กว่าพรรษายนะครับอาจารย์แต่ว่าท่านบวชเมื่อตอนอายุประมาณแปดสิบแล้วครับตอนเนี้ท่านเก้าสิบกว่าแข็งแรงมากร่างใหญ่เหมือนคนสมัยโบราณนะครับท่านภาวนายอยู่ในถ้ำที่จันทบุรีท่านเคยเป็นนักเรียนทุนญี่ปุ่นอ่าหมายความว่ญี่ปุ่นก็ต้องการจะเก็บแล้วก็ได้เกียรตินิยมมาครับถ้าเล่าให้ฟังแล้นแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการจะเก็บไว้คนเก่งอย่างนี้นะครับในหลวงไป จ่ไปไปให้เชิญท่านกลับมาใไปไปพาท่านกลับมาว่าแล้วก็ให้มาเป็นอาจารย์ใหญ่ที่สี่ลาดท่านเป็นอาจารย์ใหญ่เกี่ยวเนี้ยเกี่ยวเรื่องพาะตเรื่องอะไรเนี้ยครับเก่งแต่ว่าเก้าสิบลงไม่ทันฮะแล้วพอแปดสิบกว่าท่านออกบวชอยู่ได้สิบตอนนี้สิบกว่าพรรษายังยังบวชอยู่เลยยังอยู่กับเก้าสิบกว่าแล้วครับยังแข็งแรงอยู่เลยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าผมไม่เจอท่านที่จันทบุรีชายแดนนะครับแต่ว่าออกไอ้นี่เยอะครับ อาอพิธีขันนแต่ว่ามีเรื่องอึงยไอ้นีอ่อยู่ในโโหลวงลปู่ซื้อลอตเตอรี่เลแต่ว่าแต่ว่าท่านก็ท่านท่านเก่งกนะครับดูดูแล้วแต่ว่าจะแนวลิดนลิพอสมควร <c oughs> พอสมควรแนวลิตก็ยังไปแนวของกิเลสอยู่ <c oughs> ยังอยากมีลิดมีเด็ด <c oughs> ยังอยากจะใช้ลิดรเด็ดมาทำประโยชน์ซึ <c oughs> ่งไม่ใช่แนวทาง แต่ท so ่านบอกว่าอย่างสมมติซื้อลอตเตอรี่อย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าถูกเนี่ยท่านก็จะมาทําประมาณศาสนาไหนั้นถูกถูกหรือผิดครับอาจผิดเพราะมันทําตามความอยากไม่ต้องดูหนงตาไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่เลยคนถวายทองไม่รู้กี่ตันเนี่ยผิดทั้งนั้นอ่ะหนึ่งตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะตัวเองตึงทันที่จะมาหยุดความอยากกลับมาเสริมความอยาก หรือแม้อยากจะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ก็เป็นก็เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลในทางเพราะไม่ใช่หน้าที่ตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่ไปดูแลช่วยเหลือคนอื่นตอนนี้เป็นหน้าที่ดูแลตัวเองก่อนแล้วก็เก้าสิบกว่าแล้วต้องเอาให้รอดก่อนอ่าใช่พอัวเองรอดแล้วทีเนี้ไปช่วยเหลือคนท้าไหนเขาไม่เป็นปัญหาเพราะมันไม่ได้ช่วยด้วยความอยากมันช่วยด้วยด้วยด้วยด้วยเหตุด้วยผล ช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยเท่านั้นไม่ต้องไปซื้อรอตเตีเพื่อจะได้เอาเงินมาช่วยคนอื่น <c oughs> ถ้ามีข้าวกลนบ่าย ก, ก็ให้เขาแค่นั้นมีอะไรก็ให้ได้เท่านั้นเอง <c oughs> แต่ของวัตถุมันไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญก็คือธรรมะคนที่ปฏิบัติบรรลุแล้วเนี่ยจะช่วยคนได้มากไม่ได้ช่วยด้วยวัตถุไม่ได้ช่วยด้วยเงินทองแต่ช่วยด้วยธรรมะเพราะธรรมะนี่ดับความทุกข์ใจได้ แต่วัตถุเงินทองนี่ดับความทุกข์ใจไม่ได้ได้ก็เพียงแต่ดับความทุกข์ทางร่างกายดันั้นถ้าคนมุ่งไปทางวัตถุทางร่างกายทางช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูในสายตาของทางโลกว่าโอ้เป็นกากนรกระทําที่น่ายกย่องแต่ในทางธรรมแล้วแปว่าเป็นหลงทางหลงประเด็นที่นี้นไม่รู้ว่าการบวชนั้นบวชเพื่ออะไร บเพื่อให้ตนเองได้บรรลุธรรมเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาแล้วหลังจากนั้นก็เอาธรรมะนี่แหละมาช่วยเหลือคนหนึ่งคุณธรรมะนี่มีคุณค่าราคามากกว่าของทุกอย่างในโลกนี้เป็นล้านเท่าพูดง่ายๆก็ได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านแสนล้านมันก็ดับความทุกข์ใจนไะม่ได้ แต่ทำมากนี่ดับได้คนเราที่ยังมีกิเลสนี่จะมองไม่เห็นประเด็นนี้บางทีคนเรามาบวชเนี่ยมาพระอยู่รูปหนึงคนอยู่คนหนึ่งมามาม า, มาศึกษาฟังเทศเราอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาขอบวชบวชแล้วก็ไม่ปฏิบัติแล้ไปเป็นอาจารย์นะ่ไปสอนเด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายที่วัด มาวได้มาบวดดาบบวชได้ไม่ถึงเดือนก็ไปเข้าทีมของวิทยากรแล้วเพราะตอนก่อนมาบวชก็เคยเป็นทํางานเกี่ยวกับการสอนสอนพิเศษสอนภาษาแล้วสอนพิเศษพอมาบวชก็อยากจะเป็นอาจารย์ต่อก็พอดีที่วันนี้รับเด็กมาอบรมเข้าค่ายก็เลยไปเป็นวิทยากร อ, อย่างนี้เป็นอาจารย์สอนนี ไม่ต้องเป็นลูกศิษย์ละไม่ต้องเป็นยัง ไ, ไม่ทันปฏิบัติเลยคใช้ทฤษฎี ส, สอนใช้ใชทฤษฎีสนจากนั้นก็จะได้ได้เบื้องต้นใช่ไหมว่านะจะได้เบื้องต้นก็ได้ทฤษฎีต่างคนก็ต่างได้นะทฤษฎีเด็กก็ได้ <c oughs> ทฤษฎีคนสอนก็ได้ <c oughs> ทฤษฎีแต่พอเกิดกิเลสขึ้นมาก็ล้มกันไปละเนละานาถหมดหทฤษฎีนี้สู้กิเลสไม่ได้นะ อย่างที่สึกไปนี่ก็แสดงว่ามีแต่ทฤษฎีถ้ามีธรรมของจริงมันไม่สึกะรับรองได้สึกไปหาอะไรมีแต่คนที่เขามีธรรมในใจแล้วบวชกันไม่ใช่เขาสึกกันนั่นสมัยพุทธการพอฟังเทศฟังธรรมอยากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุ ก, ก็ขอบวชเลยไม่ใช่นี่ขอสึกกันนี่พอฟังเทศฟังธรรมบรรลุแล้วก็ขอสึกกัน ถ้าขอเศึกก็แสดงว่าเป็นธรรมทฤษฎีไม่ใช่ธรรมปฏิบัตินี่ว่าปริยัติธรรมไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมนี่รับรองได้ร้อยทั้งร้อยไม่มีวันสึกคนที่ออกจากกองไฟมันล้าจะขอกลับเข้าไปในกองไฟนี่เป็นไปไม่ได้เนี่ยการสึกนี่เหมือนการกลับเข้าไปในกองไฟรู้ป่ะกองไฟแห่งราคะตัณหาครับ ราคะทันหาโทสะการมาลาคะราคะอะไรราคาารา ค, าคินาโทสักคินาโมหคินานไฟไฟแห่งความราคะไฟแห่งความโทสะไฟแห่งความหลงเนี่ยคนที่เสร็จก็ยังหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังหลงกับสันสานร่างกายอยู่มีป่วยค่ายกลัวเป็นพาลรักษาไม่ไม่ได้เต็มที่ เดี๋ยวกินข้าวเย็ยนไม่ได้หรืออะไรไม่ได้อย่างนี้แต่ความจริงเป็นมาหวานมันไม่น่าจะเป็นนะคนที่บวชมาฉันมือเดีย่ยวก็อย่าไปกินข้าวมาสักพักหนึ่งเลยนั่นก็รูปร่างค่อนข้า ง, หงใหญ่ก็แสดงว่ากินแบบไม่ควบคุมตันานทานเลยมาหวานมันเป็นก เ, เพราะมันกินมากกินน้ําตาลมากกินของหวานมาก ร่างกายคองเราเนี่ยเวลามีอายุมากขึ้นมากขึ้นความต้องการอาหารต้องการของหวานอะไรเนี้ยมันจะน้อยลงไปน้อยลงไปแต่ถ้าเรายังกินป ร, มปริมาณเดิมอยู่ร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จ ะ, ะขับมันออกไปได้มันสะสมอยู่ในร่างกายมันก็กลายเป็นพิษขึ้นมา ก, ก็ไม่อยากไม่อยากจะพูดเฉพาะเจาะจงนวนี่พูดแบบแบบทั่วไปเพราะเราก็ไม่รู้ไอเหตุการณ์จริงของของเขาว่าก็มีเหตุผล ก, กลไกอันใด แตถ้าพูดโดยรวมก็การบวชแล้วไปเสศึเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็จอ้างเหตุผลอะไรก็ตามแต่เรื่องๆเหมือนกันเรื่องของตัญหาทั้งนั้นแหละแม้ญญแต่บอกจะศึกไปเพื่อดูแลพ่อแม่เป็นพระก็ดูแลได้พระพุทธเจ้าอนุญาตอาหารที่บินถวบามานี่ก็แบ่งให้พ่อแม่กินได้เลยธรรมดาห้ามไม่ให้คนอื่นก่อนฉันฉันมื้อเย็นเนี่ยครับผ้า ถ้าเกิดว่าไม่สบายเนี่ยอาภาษเนี่ยก็ฉันได้เลยครับไม่ได้อราไม่ได้หรอทฉันไม่ได้ทไมมันไม่เกี่ยวนี่ไม่ใช่เป็นยาเราไม่ได้ใช่ไอมมันไม่จำเป็นจะต้องกินไม่มีเหตุผลที่จะต้องกินไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ว่าจะต้องกินมันไม่ได้เป็นยานอกจากว่ามันมีเหตุผลทาง เช่นยาบางชนิดนี้ต้องกินขณะที่มีอาหารอยู่ในท้องเพื่อกันไม่ให้มันกัดกระเพาะอย่างนี้อันนั้นก็จะเป็นปัญหาได้แต่ก็ระดับนี้มาไม่ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอในการลาสิขาใช่ไหมอาจารย์ก็อยู่มาได้ทั้งสามสิบแปดปีเพราะว่าน่าจะรู้อ่ามันก็ต้องดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องปกติใช่ไหมอาจารย์น่าจะ ทิศนาได้หลังจากร่างกายนี้มันน่าจะผ่านไปต้องนานแล้วบวชมาสาสิบแปดปีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเป็นทาสแล้วเป็นคารวาสมันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันศึกเวลามันจะหายหรือโรคภัยแค่เจ็บมันไม่หายหรอกที่มันมันไม่ได้เป็นเพราะตอนที่บวชเป็นเพราะเกิดจากการบวชที่ไหนเอถ้ามันเป็นโรคภัยแค่เจ็บก็เกิดจากการบวชพอศึกไปแล้วมันก็หายมันก็น่าศึกเหมือนกันเนี่ยถ้าอยากจะหาย ใช่ครับแล้วผู้ที่แบบว่าสมมุติว่าบวชเนี่ยแล้วเขาคึกว่าเขารู้ทำบรรลุแล้วเนี่ยเขาสึกออกไปเนี่ยโดยที่เขาตั้งคิดไว้ว่าเขาออกไปเนี่ยเขาจะทําตัวคล้ายพระไม่มีทางเหมือนพระอีกแล้วแบบว่าประพฤติดีหรืออะไรที่ซึ่แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่จะแบบต้าถ้าอยากจะเป็นพระทําไมต้องสึกไปจากพระทำไมก็อยู่เป็นพระต่อไปนี่ยังไงก็ปฏิบัติแบบพระไม่ได้ใช่ไหมครับก็ก็อยากจะปฏิบัติแบบพระก็อยู่เป็นพระต่อไปนี่มันต่างกันตรงไหนน่ะทำไมจะต้องไปเป็นคารวะ เั็นคำอธิบา แ, แสดงว่ากิเลสยังอยากจะทําในสิ่งที่พระทำไม่ได้ใช่ไหมออยากจะขับรถอย่างเงี้ยสมมติว่าถึงแม้จะไม่ใช่เป็นกิเลสรุนแรงเงี้ยแต่ชอบขับรถชอบซิ่งอย่างเงี้ยไม่ไม่ว่าจะสิ่งที่ออกไปเนี่ยจะได้ตั้งใจดีไม่ดีก็แพ้กิเลสไปแล้วไงก็แพ้เพราะตั้งใจ อ, นนอันนั้นเป็นข้ออ้างมากกว่าจริงๆก็คือกิเลสมันต้องการที่จะทําะไรตามใจมันเป็นพระนี่มันโดนมัดหมดสองร้อยิบเจ็ดข้อ แบบดินไม่ได้เลยนั่นกระทำไม่ได้ขนาดมองผู้หญิงยังไม่ให้มองอนี้พูดคุยกับผู้หญิงก็ไม่ให้คุยอย่างนี้มันก็อึดอัดไปหมดก็บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นโสดาบันละเสร็จก็ไม่เป็นไรเสร็จก็รักษาศีลห้าได้ แต่โสดาบันนี้ยังมีเมียได้ยังมีผัวได้ยังเสกกรรมได้เป็นพระเสกไม่ได้มีด้วยพระพญารที่เป็นพระแล้วรู้ว่ารู้สึกว่าตัเองเป็นโสดาบันแล้วเสึกไปอย่างเงี้ยวก็มีองค์หนึ่งเพิ่งสึกไป็นเร็วๆนี้ท่านบอกว่าถ้าไม่สงสัยแล้วอะถ้าคําว่าไม่สงสัยนี่ส่วนใหญ่ก็หมายถึงเป็นโสดาบันแหละ ในดวงตาเห็นธรรมแลไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสรุปใช่ไหมครับพระใช่มันคนคนมันรู้แล้วมันจะไปเสือขาอะไรก็อย่างพระเจ้อาอักษรครับเอทุกวันนี้เขาไปยังงวิสุทธิที่เขาเออกมาอถอนบ้านเลยผมว่าเขาคงจะเห็นอะไรบาอย่างมันต้องรู้ว่าเอองานต่อไปก็คือต้องหยุดตอนนี้เราไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จริงแต่เรายังมีงานที่ต้องทําต่อกิเลสตัวอื่นที่เรายังไม่ได้ฆ่าเราต้องฆ่ามัน ไม่ใช่กลับไปรับใช้มันด้วยการเสด็จไปออกไปเสดการที่ไหนแต่พระเจ้าสัญญงเนี่ยครับสมมุติว่ถ้ามองในเรื่องของการบวชเนี่ยก็คือคนคนหนึ่งบวชธรรมดาเนี่ยนะแต่ว่าในด้านของตัวอย่างเนะครับผมถือว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากแบบเอาจารสังคมท้ามองคน ม, มีมีชื่อมีเสียงไงใช่ครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก<ต>ผมแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าปิ๋วไปยกทีบวชไปสักก็หลอดูเข้าไปหม ฟี่เบิร์นบวยกะดังเลยไม่ต้งพักนย่งนั้นโบราณท่านถึงมีคำพูดว่าเวลาเป็นระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนม้ามันมีหลายแบบม้าตีนต้นม้าตีนปลายม้าบางตัวเวลาออกต้นนี่งโอ้คํากคำแม่นวิ่งดีพอตะพอนานไปนานไปแถวไปแถวไป แล้วในที่สุดก็หยุดวิ่งเลยมาบางตัวก็อา จ, จะวิ่งนี่ตอนต้นก็ต่อแตะต่อแตะไปก่อนนมลุกคุกคานไปก่อนนะตอบปมันก็โอ้โหวิ่งอย่างสุดเลยเลยาะนั้นไม่ว่าใครจะทําอะไรอย่าเพิ่งไปสรุปกัดเลยเห็นภาพภาพเดียวมันยังไม่ไม่ชัดพอมันต้องเห็นหลายๆายภาพต้องดูไปนา น, าน ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าใครไม่อะไรเพียงแต่ว่าให้เราฉลาดเราอย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องรอดูบางอย่างต้องใช้เวลารอดูสมัยก่อนก่อนจะแต่งงานกันเขาให้มั่นกันก่อนให้ดูใจกันก่อนดูนิสยัยใจคอกันก่อนคนที่จะมาบวชที่วันนี้เขาก็ให้ดูแลดูใจกันก่อน ไม่ให้บวชทันทีให้อยู่เป็นผ้าขาวไปก่อนดูไปจนกระทั่งดูว่าเออศรัทธาจริงหรือเปล่ปามีความตั้งใจจริงหรือเปล่กปาก็ที่มีเรื่องของโพธิลัทธ์เคยได้ยินเคยได้ฟังพระโพธิลัทธิทธทนี่ท่านเป็นท่าบวชมานานท่านเก่งทางปริยัติธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านี่ทุกบททุกบาทท่านจำได้หมด แต่เวลาพรเจ้าเจอหน้าพระโพธิลธรายบอกโพธิลธรายเธอนี่มันใบาลานเปล่าเธ อ, อยู่ไปเปล่าเาเธอไม่ได้ไประโยชน์อะไรจากใบาลานที่ธรรมะที่เธอได้ศึกษามาเลยเยพูดอย่าง น, นีจนในที่สุดเจอที่ไรก็โดนอย่างนี้ทุกทีก็เลยปู่ต้องปฏิบัติแล้วมั้งก็เลยไปหาสำนักที่มีแต่พระอารหันต์สำนักนั้นมีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเลยแม้แต่สัมเนนก็เป็นพระลรห ก็ไปกราบเจ้าสํานักเจ้าสํานักก็บอกโอ้ยผมภาษาน้อยกับท่านผมไม่กล้าสอนท่านหรอกท่านบวชมาแก่กับผมผมจะเป็นอาจารย์ท่านมันก็ไม่ดีท่านก็ปฏิเสธไปท่านก็เลยไปหาองค์รององค์รองก็ตอบเหมือนกันไปองค์ไหนก็ตอบเหมือนกันจนถึงสามมณีสา ม, มนเณีก็จะตอบเหมือนกันทางเจ้าว่าท่านกำลกังเน้นถ้าไม่สงฆ์ท่านท่าน่านอยเลย เนย์นก็เลยรับไปเป็นลูกศิษย์ไปเป็นลูกศิษ <c oughs> ย์ <c oughs> ปเปนย์ <c oughs> นี่ก่อนจะสอนนี่เนย์ไม่สอนทันทีนะเนย์นำมาทดสอบดูศรัทธาก่อนข <c oughs> นาดเนย์เนย์จะเป็นผ้าอาหารเนี่ย์รู้ใน่วิธีที่จะฝึกคนสอนคนนี้ต้องต้องต้องทดสอบอย่างไร <c oughs> ต้องทดสอบทิฐิก่อนดูว่าเชื่อฟังหรือไม่ดื้อหรือเปล่าอื <c oughs> เลยให้ใช้ทำงานทุกแบบเลยล้างบาดล้างกระโทนกว่าถูกุฏิอะารท่ทเก่งรู้ทุกอย่างมาตลอดอแต่ถไม่ปฏิบัติก็ไม่มีค่าเลยเลยไม่มีความหมายอะไรเล ย, ยสู้กิเลสไม่ได้แม้กระทั่งหลอกให้ลงไปด้วยแปล็ปอของในน้ำพอลอยดยลงไปขึ้นทางเปลี่ยนขึ้นตัวก็บอกไม่เอาลัเปลี่ยนใจไม่ต้องอะ่ะไม่ต้งแล้วดูว่าท่านเป็นจะมี อาการโกรธหรือไม่มีการแสดงความไม่เคารพหรือไม่ไม่มีอาการอะไรต่างๆพอพอสัมมาเนเห็นว่าท่านเชื่อฟังร้อยเปอร์เซ็นะก็เลยสอนธรรมะสามาวิธีจะจับไอตัวกัะปอมเนี่ยกรบปอมก็คงจะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคานที่อยู่ในรูมั น, ม, นมีทางเข้าออกหกทางด้วยกันให้ปิดซะห้าทางแล้วก็มานั่งเฝ้าอยู่ ทางที่เหลือทางเดียวมันต้องออกทางนั้นเพราะมันออกทางอื่นไม่ได้ความหมายก็คือกิเลสมันออกได้หกทางปัญหาเนี่ยมันออกได้หทางออกทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วออกทางใจท่านบอกว่าให้ปิดซะห้าทางปิดตาหูจมูกนิ้วกายเี่ยไปปิดไวิเวกอยู่ในป่าคนเดียวแล้วก็มีสติจดจอด่อดูที่ใจนี่แหละกิเลสมันจะออกตรงนั้น่ะ เวลาออกมาก็เอาอปัญญาสติสมาธิปัญญาไปฆ่ามันเลยไม่นานท่านก็บรรลุแล้เนี่ยสมัมมณเ น, น, เน 3, ี่ยสอนพระเทระบวชมาสามสามสิบแปดษาแล้วเนี่ยแต่สมัยนี้บวชไดง่ายเลวก็ใครอยากจะบวชเมื่อไหร่ไปกราบพระปั๊แทนกันรับบวชทันทีเลย มาบวชมาปักก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนเลยเอากิเลสออกมาออกมาแสดงฤทธิ์เลยเป็นใหญ่เป็นโตแล้วใครับมีมีเรื่องจะกล่าวเลยครับคือว่าทางเฟซบุ๊กครับพอดีว่าวันนั้นที่จัดางานเจ้ารยาแล้ว แล้วผมเห็นเครื่องที่เขาที่เขานํามาครับผมบกําลัง เ, เครื่องเล็กครับ เ, เครื่องที่เขาหิ้วอะ่ะแล้วเขาไปวางตรง น, น, นู้นครับแล้วมันดังผมก็ยังคิดอยู่เลยเเดี๋ยวจะซื้อมาสักเครื่องดีไหมแบบไม่อยากเอาหลายเครื่องแเพราะตรงนั้นอะเครื่องเดียวก็อยู่แล้วมันจะดังไปถึงด้านหลังเนี่ยครับอาจารย์อืก็กําลังนั่งคิดอยู่เลยพ่อความมาจากราชบุรีเลยอบอกว่าถ้ามีถ้ามีปัญหาเรื่องเครื่องส่งเครื่องเสียงอะไรบอกญาติเขาเขาบอกว่าเขาอยากถวายพระอาจารย์มากแต่ว่าพระอาจารย์บอกว่า ตอนแรกก็เอามาชุกเต่าสามหมื่นเลยมาแต่ว่าไม่ได้เพราะมันมีไฟฟ้าแล้วมันก็ใหญ่พระอาจารย์ไม่มไมส่สะดวกใช่ไหมครับผมก็เลยบอกผมไม่ผมไม่กล้าเรียลลัยนะครับเพราะว่าถ้าเต็มที่ก็คือให้ผมซื้อได้ในราคาถูกไปได้เลยลเขาบอกเขาอยากทำเขาก็เลยไปมาคุยไปคุยมาก็เลยว่าเนี่ยบอกขอขึ้นเดียวพอถ้าจะออกมาเลยแะวางตรงนู้นพ่วงกับไอระโฟทัวนั้นนะครับให้ขยายนยายเสียงออก เขาบอกว่าเขาจะมาหาพระจารย์ประมาณอาทิตย์หน้าครับผมแล้วแต่ศรัทธาครับถ้าจะถวายถวายแต่ถ้าเอนนี้มาเดี๋ยวผมก็มาดูแลอยดีก็เอามาก็เลยบอกแล้วมันใช้ใช้ใช่ฐานใช้ชาร์ตแบตได้ใช่แบตก็เลยเอามาพ่วงกับไอ้ลำโพงตัวนั้นนะครับให้มันขยายเพราะตรงนี้มันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ตรงนู้นแหละพราะนั่งหลังๆมันก็ได้ยินก็เลยก็เลยบอกเขาไปถ้าขาดอะไรก็ถ้ามีใครเข้าศรัทธาก็ก็รับไว้ได้ แต่แต่ข้อให้เราเราคนเดียวเราเราไม่มี<ช>่กําลังที่จะดูแลทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งตัวเราเองทั้งอะไรต่างๆเคขาเขาบอกว่าจะเอาใหญ่วันนี้ดีกว่านี้ก็ได้นะถ้าจะใชอยู่ผมบอกว่าอ่าถ้าใหญ่วันนี้คงลําบากเพราะว่าถ้าสมมติเครื่องอย่างที่เขาเอามาแล้วที่กลุ่มเอามาระดับหนึ่งเท่ามาใช้เนี่ยมันจะดังไปพอดังไปมันจะลบควรการ นั่สมาธิภาวนาของผู้อื่นนั่คนโน้นได้เพราะมันไกลหน่อยใช่ก็เลยตรงนี้ขอใช้ตัวเดิมแต่เอาตรงนั้นภากขยายเพิ่มตัวเดียวคือทุกอย่างมันต้องพอดีครับพอดีครับถ้ามากเกินไปดังเกินไปก็ไม่ดีใช่ครับเราะั้นอยู่ที่คนจัดการน่ยครับผมต้องต้องรู้จักความความพอดีครับก็เลยมาเรียนอาจารย์ไว้ก่อนไม่ต้องเรียนลายแต่ถ้าใครเขาศรัทธาก็รับได้ครับรับได้ถ้าก็อยากจะสนับสนุน เราก็ต้องดูด้วยว่ามันจําเป็นจริงๆถ้าออมาแล้วไม่จําเป็นก็คุณคุณเป็นคนที่จะต้องเหนื่อยเพราะคุณจะต้องไม่ต้องดูแลต้องขนมาขนไปนั่นต้องคอยชาร์จแบบไม่เป็นไรครับอาจารย์ว่างเยอะครับแต่อย่าเรี่ยไรโดยเด็ดขาดเลียไรนะอย่าขออยากขอใครโดยเด็ดขาดทุกวันนี้ขนาดเดินไปเดินมาเแ่านี้คนจ้องจะร่วมบุญอยู่เลยอุ้ยแมวเราเยอะไม่ได้นะเอาได้แต่ห้างไม่เยอะ เันวันที่เก้าอะค่ะที่อา่านมาได้เท่กันนะคะท่านอาจารย์พูดถึงว่าให้เราดูแลร่างกายเราเหมือนกับมันเป็นหมาตัวหนึ่ง อ, อันนี้ลูกก็ผิด ส, สายซ้อนเลยค่ะท่า น, นอาจารย์เพราะลูกเลี้ยงหมาเหมือนลูกเหมือนอะารกายไม่ต้อผิดแกะไม่ออกเออขัดกับหลักธรรมเป็นเลี้ยงตัวที่ไม่ใช่เป็นลูกมาเป็นลูกด้วย กิเลมันเป็นอย่างงั้นมันชอบอยากจะมีอะไรเป็นของตนเองอยู่เรื่อยๆมันไม่รู้โทษของการที่มีอะไรเป็นของตนเองเนี่ยมันจะทําเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทีหลังถ้าเลี้ยงแบบเป็นของคนอื่นนี่มันจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่งั้นอย่าไปเพราะมันความจริงมันไม่มีอะไรเป็นของเราอยู่แล้วแม้แต่ตัวเราก็ไม่มีตอนนี้มันลึกตอนนี้ยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องตัวเรามีหรือไม่มีตอนนี้เอาไอ้ของเราให้เป็น ไม่ใช่เป็นของเราก่อนถ้าไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วที่ค่อยมาดูว่าไอ้ตัวเรานี่มันจริงๆมันเป็นอะไรกันแน่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นตัวรู้แต่ว่ามันคิดว่าเป็นตัวเราถ้ามันรู้ถ้ามันรู้ว่าเป็นตัวรู้มันก็จะรู้เฉยๆมันก็จะไม่ไประยึดไปติดว่าเป็นตัวเป็นของเรา ไม่หรอกมันเรื่องของกิเละทั้งนั้นแต่ว่ามันหลอกว่าเป็นเมตตาถ้าทํำไมเมตตาทำไม่เป็นเมตตาของที่ไม่ใช่เป็นของเราเนะใช่ไหมเปเมตตาควรไดเป็นศัตรูเราดูเลยอันนั้นแหละเมตตาจริง <c oughs> ไปรักคนที่เขาโกรธเราเกลียดเราดูเลยอันนี้อยากจะทดสอบว่าเมตตาจริงหรือไม่ ถ้าไม่รักแบบวางเฉยได้ไหมครับอุเบกขาได้ก็ได้ก็ได้แต่ถ้ามันถ้เมตตาได้มันยิ่งดีแทนที่จะเอาเอาเข้ามาเป็นเพื่อนเลยแทนที่จะเป็นแต่ถ้าบางทีมันสุดวิสัยทํายังไงเขาก็ไม่ยอมเป็นเพื่อนก็อย่างน้อยก็ไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างอยู่คนไปก็อุเบกขาไปแต่ถ้าเอาเขาเอาเปื่อนศัตรูมาเป็นเพื่อนได้นี่มันคิดดูบายแค่ไหนดีแค่ไหน คนที่เคยจะคิดทําลายเรากลับมาคอยดูแลรักษาเรานี้ไม่ดีกว่าเยอนี่ยในในหมวดทานแล้วทำไมวันนี้ปัญหาเยอะจังในในหมวดทานพระอาจารย์รู้ว่าบางตําราก็บอกว่าธรรมทานคือสูงสุดแต่อย่างที่เร็นคืออภัยทานเอตัวตัวไหนที่สูงสุดอครับอาจารย์คือธรรมทานนี่มันเป็นคําที่มันดิ้นได้คือทานนี่คือการให้ เึ่งความจริงการให้มันก็ต้องมีของให้งทัางเช่นวัตถุทานหรือหนังสือธรรมะหรืออะไรนี้แต่อภัยทานนี้มันก็จะว่าเป็นการให้ก็ได้แต่ความจริงมันไม่ได้ให้อะไรเขาเพียงแต่ว่าเราไม่ไปเอาเรื่องเขาไม่เอาโทษไม่ไม่ถือโทษโกดเกลื่อนเขาอันนี้เรียกว่าเป็นอาเวลาโหนตุไม่จองเวรจองกรรมกัน นี่จะมาเรียกว่าเป็นการให้ทานก็ได้เหมือนกันแต่ความจริงทานจริงๆเนี่ยมันมันน่าจะเป็นวัตถุทานวิทยาทานธรรมทา น, รรทานให้กับเขาเขาได้รับของจากเราไปใช่ไหมให้ข้าวให้ของนี่ก็เป็นวัตถุทานให้วิชาความรู้เขาก็เอาเขาก็ได้อวิชาความรู้ไปทำมหากินได้ให้ธรรมะไปเขาก็เอาไปปฏิบัติดับความทุกข์ใจเขาได้ ส่วนการให้าภัยทานนี่เราไม่ได้อะไรเขาความจริงเราให้เราเองมากกว่าให้เราไม่ไปไปมีเรื่องกับเขาดับกิเลสตัวเองมากกว่าใช่ออที่ที่มันมีคาว่าทานอยู่จะเอาไปรวมกลุ่มกับทานเหล่านั้นก็ได้แต่ความจริงทานที่สูงสุดจริงๆก็คือธรรมทานออการให้ธรรมะชนะการให้ธรรมปวง ที่พอดีคําว่าอภัยทานมันดันไปมีทานอยู่ข้างหลังความยริงมันให้อภัยให้อภัยได้ได้ที่ตัวเราเขาไม่ได้ก็ไม่ได้รายจากเราอย่างลไ้ตัวสุกนะครับพระอาจารย์สุขจับการให้เนะครับพระอาจารย์อย่างทุกวันนี้ที่ทําอยู่คือเราก็ให้ทำว่าเป็นตัวกลางสื่อเนี่ยอืมเราสุขกับมันได้ขนาดไหนแล้วอาจร อยู่ที่ว่าเราทําด้วยการต้องการผลประโยชน์ตอบแทนมากน้อยอ๋อไม่ครับอาจารย์สมมติว่าเราไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยเราไม่ต้องการอะไรเลยจิตเราไม่ต้องการแม้แต่ ต, ตัวบุญที่จะอืมนั่นะเรายังไม่อยากได้เลยแต่มันเป็นตัวสุขที่มันเกิดขึ้นมาสุขนั้นเราเราก็ไม่ยึดครับอาจารย์แต่ว่านั่นแหละคือตัวบุญอะตัวสุขใจเนี่ยแปลว่าบุญแปลว่าความสุขจำเป็นต้องปล่อยไหมครับอาจารย์ไม่ต้องปล่อยมันเป็นผลโดยธรรมชาติเนี่ไม่ต้องปล่อยไม่ต้องไปตัดมันใช่ไหมือนกินข้าวมันก็ต้องอิ่ม คุณกินข้าวแล้วบอกผมไม่อยากอิ่มไม่ได้หรอกเพรา ะ, ะกลัวว่าถ้าสุกอมันมากจะกลายเป็นกิเลสไม่หรอกไม่หรอจริงๆแล้วมันเป็นกิเลสต่อเมื่อคุณไม่ยอมปฏิบัติทำสูงขึ้นไปคุณจะทําแต่ทานอย่างเดียวครามจริงถ้าคุณทํำทานได้นะคุณจะรักษาศีลได้ง่ายขึ้นคุณก็อยาควรจะเพิ่มเริ่มรักษาศีลรักษาศีลให้มากขึ้นถ้าอิ่มใจแล้วต่อไปกินข้าวน้อยลงได้ ไม่จริงยับเพราะ<ๆ> ไ, ไหนคนมาทําบุญต้อมีความสุขใจวันนั้นคุณไม่กินข้าวเย็นก็ได้ครับับอนะิิ ม, มนะหรือมามานอนวัดไปเลยถือว่าวันนั้นมาทําบุญเสร็จก็อยู่ปฏิวัติวัดไปเลยมันรับรองได้อดได้แต่ถ้ากลับไปบ้านนี่อดไม่ได้เพราะมันมีคนอื่นกินอยู่มีกลิ่นอาหารโลโชยมาอยู่ ไม่เชื่อว่าวันไหนที่คุณมามาบนเขามาทำงานเสร็จคุณก็ไม่ต้องกลับไปนอนเลยพักแคบที่ไหนนอ น, นอนที่นี่อดข้าวเย็นทั้งคืนหนึ่งก็มานั่ง <c oughs> มาเนี่ยมาดื่มน้ำปานะกับพระท่านตอนเย็นเย็นสิบห้าโมง <c oughs> ดับรองได้ตอบไปน้ำหนักคุณลดลงนเยอะแยะเลย <c oughs> อยู่ที่คนต้องตั้งเป้าต้อง <c oughs> ต้องจา <c oughs> กำหนด เราต้องทำอธิษฐานถ้าเราไม่อธิษฐานแล้วไม่ตั้งเป้าเราก็จะไม่ทําพี่เลนจะไม่อยอมให้เราทำหรอกถ้าเราไม่ตั้งเป้าอย่างโย ม, มถ้าไม่ตั้งเป้าจะมาอยู่คนเดียวนี่มันก็ไม่มาหรอกมันก็จะมีเรื่องอย่างงู้นเรื่องอย่างนี้อยู่เลยอย่างหมอนี่ก็ต้องตั้งเป้า LM. ต้องมาฟังเทศฟังธรรมอยู่<ม>ว่างเมื่อไหร่ก็มาถ้าไม่ตั้งเป้าเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นเดินไปาการที่จะมาทางธรรมนี่มันยาก เพราะกิเลมันไม่เยอะมันมันพยายามสร้างอุปสรรคสร้างเหตุสร้างอะไรต่างๆกิจกันเราหมดถ้าเราไม่แน่วแน่เชื่อศรัทธามีศรัทธาความเชื่อมีความอยากความชอบในทางนี้แล้วมันไม่มาง่ายๆเลยแต่บางทีอุปสรรคบางเราก็ไม่ไม่สามารถหีกเลีกงนะคะอย่างเงี้ยเดีวันศุกร์ต้องามื หมาไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ให้คนเอาหมาให้คนอื่นไปสิไจากไปหมดอุปสมันมีก็ทาลายมันสิเก็บไว้ทาไมเราเคยรักถ้าเรให้มันก็ตายมันอยู่กัเาล้ัก็ตายมันตายเร็วแค่น้ไม่แน่หรอกคนอื่นก็าอาจจะเลี้ยงดูดีกว่าเราก็ได้ก็ไม่มีใครเอาแล้วค่ะมันอายุเยอะแล้ววันเสารลูกเขาก็ติดตามนายไปแบบเป็น พปรโคอลเยนะคะแม้บ้านก็เราก็ต้องไเฝ้าบ้านดีอย่างเงี้ยค่ะมันจะข า, าดไปเลยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าคุณแต่ไม่ได้ก็คุณยังไปไม่ได้มันเรือ <ไป S 1> ยังมถ้บทําถ้าถ้าไม่ถอนสมอเรือเรือมันก็วิ่งไม่ได้แล้ววิ่งไปแล้วก็คอยทอดสมอเรือมันก็จอดอยู่เรื่อยไปได้ปั๊บนึงก็จอดอีกล้ถ้าเป็นรถก็แบบว่ารถไฟแบบจอดทุกสถานีไม่ใช่รถด่วนเหรืออาจจะไม่ทันการก็ได้ สามโมงกว่าแล้วะตััง้งเลยก็ครับใครอยากจะไปก็ไปได้นะอะอันนี้พอดีจะไว้สําหรับมาตั้งที่สาราหลังใหม่อ พ, หพอดีมีคนถวายเมื่อสองวันก่อนมีคนถวายรูปหนุงปู่มั่นมารูปหนึ่งก็เลยพอดีมีคนศรัทธาก็อยากจะขอถวายเพิ่มนะก็บอกว่าก็จะให้มีเพียงสี่ผูรูปกทั้นมีรูปหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวแล้ว ก, ก็สมเด็จพระสังฆราชพอละ เที่เกี่ยวข้องกับท่านก็มีแค่นี้องอื่นเราก็ไม่รู้จักท่านก็อันนี้มันมาเองก็ปล่อยมันไปเป็นตามมีตามเกิดนี่เราไม่ได้ไปสรรหามาันมาทุกอย่างมันมาของมันเองแต่มันมันไม่มีคุณประโยชน์เท่าไหร่ครับ <Okay. S 1> นอกจากมีไว้เพื่อเป็นเรารให้เกิดความเป็นมงคลที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติตามท่านทั่นเอง เดี๋ยวนี้เดี๋ยทำอ่ะทุกวันขาวเขาปั้มมาเสร็่คุณส่งไปให้คุณสุชาติเขาเลยคก็ เ, เห็นฟ้าจานบอกว่ามีคนทำแล้วผมแม่เขาเลจเขาก็ อ, อยากจะทำเพราะว่าไปใต้มาก็เลยสีส่วันไม่มีสัญญาตอบรับเลยอยู่แล้วเดี๋ยวจะได้ส่งให้เขาเป็นไงครับมันมีอะไรไหมอยากจะถามอะไรหรือเปล่ามาฟังเฉยๆเล มาเป็นไงว่าับการเปลีป่ยนหาเรียนเรื่องนีูกที่ตั้งบนด้านหน้าครับการถ้าถ้าขนาดใหญมันจะ มีปัญหาเรื่องบางไม่พับสปอร์ติชี่ใที่หินใต้ประมาณไซสขนาดอย่างนี้ก็ตามมีตั้งเกินเขาให้มาแล้วก็ตั้งไปเห็ใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ได้ไม่เป็นไรไม่ไม่สําคัญอะไรคือไม่ต้องไปเปลี่ยนของเขาของเขาให้มาแล้วก็โอเคฝักขเข้าไปของเรามีขนาดไหนก็ตั้งไปเนมันมีทุกขนาดไม่เป็นไรหรอกอ๋อเราไม่ได้ไป ถือเรื่องความสวยงามเรื่องอะไรขนาดหน้าตรฐานอะไรหรอกออขอให้มันมีภาพครูบาอาจารย์ผู้คนสําคัญกแค่นั้นเองหรือถ้ามีถ้าไม่ ม, ม, มีก็ไม่ได้ไปสรรหามันหรืถ้าไม่มีใครมาถวายเราก็ไม่ได้ไปสรรหามันสมมุติถ้า ส, ส, สาราเสร็จไม่มีพระพุทธ ร, รูปไม่มีอะไรแล้วก็ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรงั้นอย่างนี้ไม่ก็เดี๋ยวผมจะหาทีจัดเรียงให้ ให้ให้มันลงตัวทีสุดเพราะว่าเอค่อย <oney. S 2> ว่ากันถึงเวลาก็ไปไ ป, ไปจัดไปตั้งจั ด, ดอยูอ่แล้วให้มันลงตัวว่า <itchens. S 2> มันเดี๋ย ว, วางานวิธีให้มันใช้รูปนี้ตามนี้ครับ <divisions S 2> เอ่าครับงานวิธจัดการทีมครับของที่เขาให้มาแล้วอย่าไปทำอะไรขขขเขาเอาไปตั้งไว้เท่านั้นเองครับคุณก็เอาข อ, ของคุณมาสายตั้งต่อไปกระจบ ข, ข, ะขนาดเท่ากาันไม่เท่ากาันไม่เป็นปัญหาเลยไม่นะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรครับได้ครับอมันก็ตามมีโชคดี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับได้ครับบางบ้างไห่บางบ้างแล้วแต่ครับได้ครับเวลาค่อยจัดการกันของใหม่มาของเก่าไปไยังไม่รู้เลยเออกมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวถึงเวลาก็ค่อยได้ว่ากันอีกทีอ๋อครับครับครับเออไอไอไอข่านสายนี่ คิดว่ายังไม่ต้องทาสีอยากจะให้มันใสเก็จะได้เห็นท้องฟ้าบ้างครับครับตอนนี้แผ่นใสว่าจะใส่เป็นแผ่นคู่คือจะสอนจะสอนทั้นว่าแผ่นใสเนี่ยมันมันไม่มีแผ่นหนเลยแผ่นเดียวก็พอมันจะได้ใสมันจะได้เห็นสกายไลท์เหรออยากจะเห็นคือผมกลัวว่าพอมันไม่มันไม่จิตมากพอเนี่ยคือมาใสคือถึงจะสองแผ่นก็ใสมันเดินมาจานแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าแผ่นใสบางทีมันลงไม่แข็งแรงอ่ะใช่เอาเลยสองก็ได้ก็เล้วจะเบิร์ดแล้วจะติด ซีเดโคนใส่รอบข้างให้มันขึ้นมันมันได้จิตออตามใจนี่เราไม่ดูเรื่องของช่างเพราะว่าที่ที่โรงงานเนี่ยพอมันอ่อนปับเวลาลมมันหอบปั๊บเนี่ยมันดีดขึ้นเลยอย่าอย่าเพิ่งทาสีกัแล้วกันอ้าวครับยังไม่ทาครับถ้ามันร้อนจริงๆริงเราค่อยไปทาครับแต่ตอนนี้อยากจะให้คนมองขึ้นไปแล้วเห็นต้นไม้เห็นท้องฟ้าครับครับก็เดี๋ยว ผมทําเป็นกผ่นคู่ให้มันได้ความหนาที่มันใกลเคียงกับเบื้องเลยยาวสองแผ่นกรืยาวแผ่นเดียวสองแผ่นต่อกันครับจารย์แต่ว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแผ่นหนึ่ง แ, แผ่นเป็นแผ่นคู่แต่ก็สว่างเพราะว่ามันเป็นมันเป็นขาวใสไม่ใ้าขาวขุ่นขาวใสมองเห็นทองฟ้าจ้าเห็นเอาเอาเอาเอ า, เอาสองสองสองแผ่นยาวแล้วก็ยาวแล้วก็คู่แล้วก็เบรร ใช่ใช่มันหนาสองชั้นใช่เพรเวลาการลมหอบเวลาลมหอบมันจะได้ไม่ไม่ปิดตัวได้ครับรูปถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมาเองไม่ต้องกลัวแล้วมีมันจะไม่มีที่ตั้งมาก่กว่าไม่ต้องไม่ต้องกังวลมีรูปไหนก็มารูปเมียเพียงแต่ว่า กขนาดไม่เท่ากันไม่สวยงามเวลาวางจะบังแล้วนะใช่ไม่เป็นไรับไม่เป็นไรเราไม่ได้วางเราก็จะวางเป็นแถวหรืออาจจะหาที่แขวนก็ได้สําหรับโตกะหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวเนี่ยจะตั้งสูงหน่อยอ๋อข้างนั้นข้างหลังอาจจะทําทําเป็นเป็นฉากแผงก็ได้ทีได้ครับถ้าเป็นฉากแผงอย่างนั้นก็ได้ครับอาจารย์ค่อยดูก่อนดูเหตุการณ์กันช่งเวลานั้นค่อยค่อยมาอ๋อได้ทีงั้นก็เดี๋ยว ผมพับไป้แบน้ไทั้งนันก็จริงๆั้ก็มีผมมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กไงพแต่ว่าเรามองว่าจะทาแบบไหนให้มันเหมาะสมตอนนี้ใหญ่ๆมากใหญ่แค่นี้ก็พอับนี้ครับขอบเ่นี้แหละครับจริงแล้วถ้าจะมาตั้งมันก็จะแล้วว่ามันจะใหญ่ไปหน่อยอาจจะต้องทำทาแควทาแผงหรือเอาสแตนเลสราวสแตนเลสแล้วก็ยึดมันยึดไว้ข้างหลังทาเป็นไม้สแตนเลสดีครับาก็ดูเหตุการณ์ก่อน สเตนเลมันก็ดีมันคงทนใช่ไหอ๋ครับถ้าเราทำเป็นเหมือนโค้งแล้วก็ปะมันเข้าไปมันนด้เหมือนมันดูแข็งหน่อยก็นิงแต่ว่าส่วนข้างรอบข้างบนยังเป็นสแตนเลสอยู่แล้วทีนี้ก็ด้านหลังส่วนที่เป็นลุกที่เป็นมารไม่ได้ดูซอฟหน่อยก็ได้ก็ดูนะดูเพราะมันมันเป็นราวสแตนเลสอยู่แล้วก็เอาสแตนเลสต่อไปให้มันเข้ากันแ้วเรามีลาวรอบอยู่แล้วเป็นสแตนเลสแล้วก็เสริมสแตนเลสขึ้นไปเป็นสแตนแล้วก็ ยืดรูปไว้ให้เองมันจะได้เป็นอันเดียวกันครับเขียนะไปละอันนี้ก็มาเตรียมเตรียมมุงยังไม่ในมุงแต่นามืถึงมาถึงเกือบเที่ยงว่ะโอ้ชุดดึงมามาม่รู้มาสิบโมงไม่ท่าไหไม่รู้มาถึงเที่ยงเลยมาสิบโมงออกจา้านมาอีกท่าไหนมันเจี๋ยวเหมือนงงแต่วันนี้ก็คือ สรุนีจะย้ายบึ่งเป็นทั้งหมดแล้วเมื่อกี้แจมุงก็แล่ว่าไม่เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เก็บงานเชื่อมกันดีกว่าไม่เรียบร้อยจะเก็บให้หมดก่อนและน้ำขังนี่มันปล่อยมันจะหแห้งมันไปเองหรือเปล่า อ, อ๋อสุดท้ายเดี๋ยวเก็บมงโมสิผมจะไล่ากบานลง่างทีนึงนะยังไงไลน้ำน้าที่ขังใน ใ, ใ, ในในเสาอ่ะมันจะไหเดี๋ยวผมจะดการครับาจารย์นี่งขลครับหรือว่าปล่อยให้มันระเหยออกไปจริงจรนี่ก็ผมัก็เรื่องขอารจารณาว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะผมจะเช็คทุกรูเลย ก็จะใช้สว่านเจาะดูปลายดูว่ามีน้ำไหมถ้ามีก็จบเราคงก็เชื่อมปิดแล้วก็จบครับหรือจะเช็คสุดท้ายที่แล้วครับเพราะถ้าข้างบนเราไม่ปิดปล่อยมันมันก็จะระเหยไปเองอยู่ดีครับปิดมันเสาตัวเสามันคือมันอยู่ที่ปริมาณไอ้น้ำที่ถังแต่ว่านานๆานไปมันก็จะแห้งไปเองแต่เราไม่ปิดดูมันใช่ตัวเสาตัว ผมใส่เข้าปิดนะครับแต่ไม่รู้เขาปิดหรือเปล่าไม่ได้ปีนดูออแต่ผมสั่เข้าปิด เ, ออเพราะาราปิดปิดจริงๆเราก็ต้องเช็กดูว่ามีน้ำค้างอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าจริงๆเราปิดตั้ง6ฝั่งปิดทั้งหมดเลยเพราะว่าสนมมันเกิดจากอากาศกับน้อาาสักขาดสักอย่างมันก็มีปัญหาครออับในพรุออ่งนี้วันหนึ่งเก็บเพราะว่าเมื่อกี้เดินล้วคงเก็บไม่หมดไม่เรียบร้อย เดี๋ยวพ่งนวันนี้ผมเก็บให้เรียบร้อยดีกว่าแล้วค่อยค่อยมุงอันนี้เอาไปเก็บไว้ก่อนเอาไว้ที่ไหนครับแฟนเด้อเดี๋ยวผมเอารูปทรงเด็ดสั้งขาวไว้ที่ใดก็ได้ไดเอาคนไปเก็บไว้ที่ล่างก่อนดีกว่าเ อ, อครับได้ครับเดี๋ยวไปถึงเวลาก็ค่อยเอามาพร้อมพ้อมกันเลเครับครับที่นี่มันมีที่เก็บแล้วมันมันไม่รู้มันจะไปไหนมาไหนมันง่ายครับ มันก็ใจแล้ก็ใจนะใ่มันก็ใจไม่ได้เลยใจช้าใจเร็วแต่ว่าถึงทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเลยมาเดี๋ยวนี้คนชอบนั่งอย่างนี้กันเลยใชยังก็ปล่อยให้นั่งได้แล้วก็ คือลองไปใช้ข้างบนดูลองใช้ดูบ้างนั่งทั้งข้างบนนั่งทั้งข้างล่างแล้วก็มาตั้งตรงนี้ตัวหนึ่งก็พอใช่ครับทั้งข้างล่างเราตั้งไว้ข้างบนก็มีที่มันจะได้กว้างขวางใครอยากจะนั่งตรงไหนก็ไปนั่งได้ดังนั้นมีแล้วก็อาจจะต้องลองใช้ดูข้งหนต้องลองใช้แล้วอดูว่ามันดีไม่ดีอย่างไรับแล้วแต่ไม่ไม่บังคับเบอะมีมีที่นั่งเดี๋ยวนี้กว้างขวางมีที่บางสองที่บาง บางฝนได้แล้วนั่ ง, งได้ไม่เป็นไรหรอก<ม>ดีจะตายไป <c oughs> อาจจะเป็นที่เดียวบางที่ที่แปกกับที่อื่นก็ดูดีนะคะอาจารลูกแชร์ไปที่กระทูกลูกนะคะเพื่อนเข้ามาดูกันเต็มเลยคือเขาไม่เคยคัาธรรมก็ชอบใจที่นี่สารานี่ร ก็จะดึงไปทุกครั้งเลยค่ะแชร์ไปทุกครั้งมีมีเรามีคนที่แชร์กับเรากี่คนเยอะค่ะเค่ะเพราะวกนี้าจะแบบเที่ยวไปเรื่อยครับไปเรื่อยไปเรื่อยพาฟังแล้วเขาชอบกืนเราก็ชอบถ้าเขาชอบเขาก็เขาก็จะเข้ามาที่ที่ที่ facebook อันนี้เลยแล้วให้เขาเข้าที่ท่านระอจารย์เองแล้วเขาก็ไปคิดชอบขึ้นมา ก็เลยมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคนเพิ่มไปเรื่อยๆครับไม่ต้องโฆษณาครับจะโฆษณาเดี๋ยวไม่อาจารย์ไม่เหนื่อยโฆษณาเสียตังค์เลยเราไม่ได้ <c oughs> ทํานี่เขาเป็นคนทํา <c oughs> คนมาหาเราก็พูดไปท่านเองแล้วก็เอาเอาไปใส่เพื่อความสะดวกของผู้ที่ไม่ได้มา ไม่ไเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเขาไม่มีที่อะไรไม่มีงานบุญไมนมีอะไรใหเขาอผมก็ไม่เห้มให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวธรรมทานแบบแบบขึ้นเร็วนะคะเพราะว่าพี่อแบบว่าปุ๊บเดี๋ยวก็ดูเลยตอนนี้ใช้โทนนี้เร็วกว่าเดิมเยอะเลยครับอาจารย์เพราะว่าจากที่สามชั่วโมงสีชั่โมงกลายไปเหลือเจ็ดสิบนาทีตอนอัพกับครับอาจารย์เร็วและตอนทําตอนเรนเดอร์จาก เพราะมันไม่ต้องใช้โปรแกรมวิดีโอแลครับมันใช้โปรแกรมสไลด์เอาภาพใส่สไลด์สไลด์สไลด์เร็ว่าเร็วเลยไฟล์เล็กว่าเนี่ครับแล้วก็แต่เดี๋ยวก็ต้องสลับครับก็เดี๋ยวก็ต้องมีวิดีโอบางีคนเขาอยากดูบางทีก็ถ่ายวิดีโอภาพอื่นบ้างก็ได้ใช่ครับใช่ครับสลับไปันต้องมีหลายๆหลายรูปแบบมันจะได้ไม่เบื่อแต่ถ้านั่งดูเราพูดคนเดียวมองกี่นาทีก็ก็เลยใช้เป็นรูปคนนั่งปฏิบัติดีกว่าคนนี่สวยมากเลยครับมันเป็นศิลปะดีอะใช่ครับใช่ ไม่ได้แลใช่เรื่องสารานี้นะคะพสิทนะทุกมุมเลยดีมากมันเรียบง่ายค่ะพอาจารย์คำคำว่าธรรมะบนเขาเนี่ยพระาจารคนตั้งนะครับตอนแรกผมเห็นเนี่ยว่าพระธรรมเทศนาพระดุษาีพระอาจารย์บอกให้เปลี่ยนเป็นธรรมะบนเขาเลก็เลยน้นข้าวอวาเปโอเคธรรมะบนเขาเราต้องการจะแยกเหมือนเพราะเรามีกำลังใจมีจุรธรรมอันนี้ของคุณก็เลยเอาธรรมะบนเขามันจะได้ไม่ไม่ไม่ปนกันไหม ก็มีคนไปดาวโหลดเยอะเหมือนกันนะดาวโหลดเออยที่ดาวโหลดได้ลูกก็เอาลูกทัางพระจารย์ไปด้วยลูกปีนรบอยู่ในเฟซบุ๊กนี่คือจะมีแต่พระจารย์มือสมัครเล่นทำต้องก็้าใจดึงไปหมดเลยทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยจะท่อนข่า ไม่รูปปฏิภาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่รูปรูปแท้นะครับรูปแท้จะจะมีพระยืนอยู่ข้างหลังอาจารย์แต่ผมตัดผ้าออกมาแล้วก็ทำซ้อนผาพระาจารย์าจริงแล้วทำข้างหลังเบอรจริงๆนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ภาพจริงนะแต่รูปที่เด็กตัด อ๋อนั่นจจริงเดถาล่าสุดเนี่ยไม่ไวันนางหรออน่นไทยเองครับไายเองก็ไปเดินถ่ายวันวิสาขะก็มีคุณจิตมีคุณจิตกรเนี่ยที่เข้ามาทำบุญประจำเขาก็บางทีก็ไปถ่ายเขาห้องโพสลงเมื่อวานนี้ด้ยยใช่โพสลงแล้วผมก็แชร์มาที่ที่หน้าของจังตต่ำไม่เคยไม่เคยตัด อยากจะตักบานร น, น, นัง่งนะต่ไปเลยบ้านน้ำเธอทุกเช้าเดี๋ยวร อ, อ, อ, อิเอรทอคนเพราะคนมาพัทยามาเที่ยวบ่อยมา น, นี่เอาไว้คุ้มเช้ามาถักบานคืนเที่ยวผักก็ว่าวเรื่อง <c oughs> เรื่องเขาไปะะ <c oughs> จสวรรค์น <c oughs> อย่างนั้นอยู่แล้วครับพจ้าไม่มีใครไม่เจี่ยวพัยาแล้วไม่ได้โด ซีดีนี่ไม่เห็นท่านอาจารย์ไงคะพอดูใน Facebook นี่มันเหมือนกับมานั่งฟังเองใช่ครับคนก็เลยอยากดูกันแต่ว่าตอนหลังนี่ต้องสลับบ้างครับเพราะว่าบางทีเปิดมาม่สายสะพันนั่งอย่างเดียวแล้วก็ฟังเสียงมันมีภาพก็เป็นภาพาอยู่สลับครับเดี๋ยวมีสไลด์บ้างภาพวีดีโอบ้างอะไรสลับสลับครัเพราะตัวนี้ครับอาจารย์ตัวเนี้อ่าผมสามารถพ่วงกับกล้องได้เลยครับก็สายไลอาตัวนี้เข้ากล้องเลยแล้วข็นั่เสียงเหมือนตัวนี้เลยแล้วก็ ตัวนี้สามารถถ่ายเท่าสดได้เพราะว่าใต้ตูดมีต่อไม้ได้สองช่องแล้วก็มีไลน์เอาท์ต่อออกโทรศัพท์ได้เลยตัวนี้ดังนั้นครบเลยครับโดยที่ไม่ต้องใช้มิคเซอร์เลยครับต่อไปก็อาจจะออกออกสดเลยออต้องมีสถานีวิท ย, ยุเล <97 S 2> ยเก้าสิบเจ็ดเท่าไหร ครับเ็ใช่ใช่ว่าฟังตอนสี่ทุ่มดีครับดีพระอาาสองรอบเก้าโมงทีนึงแล้วสี่ทุ่มปสามสี่ทุแต่สี่ทุ่งนี้ได้ฟังอยู่ว่าเป็นการอ่นครื่อ่าใช่ครับใช่ใชยังบอกว่าเอไม่เคยได้ฟังว่าจะบางทีฟังก็นั่งอยู่ในรถกลับไปบ้านเคยจัดรายการเองไหมราไม่รู้จะอะไรพูดพูดไม่รู้เรื่องมั่วหไม่เ้อ๋อขอบคุณนะครับใช่ครับใช่ครับ ท่ที่ตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษดีมากเลยนดีเลยน้องนุ่มเขาเขาอ่านนะครั บ, บอกโอ้พระอาจารย์เก่งภาษาอังกฤษมากสับบางตัวหนูยังไม่รู้เลยพูดถึงพูดถึงภาษาอังกฤษแล้วครับพระอาจารย์ผมว่าเดี๋ยวจะมีถ้าก็เทปหนึ่งอะผมจะขอให้พระอาจารย์เป็นให้กําลังใจผู้ปฏิบัติภาษาอังกฤษแบบกําลังใจแนวทางคงไม่ต้องครับแต่ว่าอืกําลังใจผสมแนวทางก็ได้ครับสเต็ปเดียวเดี๋ยวยทุกปีจงมีนักเรียน นานชาติก็จะมาเรียนซัมเมอร์ที่เอเชียนิวแล้วก็จะส่งมาความเทศเรา เ, เดือนสิงหาประมาณเดือนสิงหาที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นมีอยู่ตอนหนึ่งตอนสามทุกที้อยู่ต อ, อนสามคนที่มาเขาจะมีพวกนี้เขาจะมาเรียนซัมเมอร์ที่เอเชียนิวเขาเมีหลักสูตรรอาใจคือให้อยู่ที่คัมพัสสองอาทิตย์แล้วไปอยู่ที่โรงแรมพัทยาสองอาทิตย์ แล้วก็ไปอยู่ที่กรุงเทพหรือเชียงใหมอ่อีกก็เลยตามาที่ด้วยเขาก็ได้เรียนเรียนรู้หลายอย่างได้เรียนรู้คือถ้ามามาศึกษาเขาเรียกหลักสูตรนี้เขาเรียกว่า Asian Culture Asian Business and Culture เป็นหลักสูตรสำหรับที่จะเอาไปใช้กับปิญญาโทก็ได้ปิญญาตีก็ได้เป็นหลักสูตรเสริมก็ส่วนใหญ่จะมีนักศึกษาชาวชาวยุวรโรปมา ออสเตรียมนสเปนาทีเวลาอ่านตรงนั้นแล้วบางทีมันก็เข้าใจดีลึึ้งอกันนะคะแบบเป็นแบบกระชับมัาหนูอ่านปัญหากระจอ่านวา่ดหนึ่งได้ล้านไอค่ะท่านท่าใจรบรวมเป็นทานศีลสติอบผู้จัดเขาทำกัน มียาติโมที่มาทำนี่เขาเขาเขาบัคคัดออกจากจุลธรรมอีกทีครับเขาแยกเป็นเป็นเป็นเป็นกลุ่มแปก ล, มกลุ่มสทานกลุ่มศีลกลุ่มภาวนาหนูว่าหลังหนูเองกำลงใจมากขึ่นค่ะตอนนี้ท่านบอกว่าจิตมันจะทำอะไรใหม่ๆแล้วมันจะขยันแล้มันก็จะขึ้นๆลงๆแล้วถ้าทําไปเรื่อยๆมันจะแก่งมากขึ้ ถ้าาาทไวกํลังใ่มันมากขึ้นเสถียรขึ้นเอ่มันจะเสถียรขึ้นแล้วมันก็จะมันก็จะอยู่ในมันจะไม่เสื่อมไปนาหรือเสื่อมไปน้อยลงไปเรื่ยมีแต่จะขึ้นไปเรื่อยยิ่งทํามากเท่าไหร่กําลังจะมากขึ้นไปเรื่อยแต่ถ้าทำแต่ถ้าทำแล้วหยุดนี่มันจะกลับมาแล้วมันจะยากอย่าหยุดอ่าจะหนูแบบอยากอยากพอมันอยากจะให้มันดีมันก็ไม่ได้ยิ่งทุกข์ใหญ่ พออยากแล้วไม่ได้ดีก็ท้อแท้ขึ้นมาอย่าไปอยากเกินกำลังความสามารถของเราทํำเวลาท้อผมชอบนึกถึงพรพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้เจอที่สุดๆยิ่งแบบมนุษย์เยอะแเลยนะไม่ใช่ท้อเท่านานแล้วเนะี่ยได้เวลาสมควรนะ